มือนีพวกอันตามาภาพเจ้าหัวลูกเจ้าหัวหลานทั้งสามรูปสามองค์เสด็มาแสดงพระสธรรมเทศนาทำนองสรพันยากถาแหลอีสาราในเรื่องลูกไส้ก ก, นนกคุนน า, น, นาลูกสาวหลานน่ละุนเนาะลูกไส้กกคุนนาลูกสาวหลาเนละคุนหรือผู้หักได้กินหนังผู้สั่งได้กินกระดูกการเทศ ทานองสารพันยกถาปุตชาวิสัชนาตั้งแต่สองธรรมาสขึ้นไปนั้นก็ต้องมีการสมมติสมัญญาฉันธานมัตให้แก่กันและกันเสียก่อนเพื่อจะรู้ว่าพระคุณเจ้ารูปนี้เชื่อว่าอะไรรับแสดงในตำแหน่งในหน้าที่ไหนสืบต่อไปปุรัโตธรรมาาสาเสนนิสิ น, นังสมานามิ ขอสมมติพระคุณเจ้าผู้ที่อยู่เบื้องหน้าของอัตมาภาพเบื้องหน้าเนาะเอาตรงเครื่องเสียงเนาะคุณยาดคยนย่อมเพนเซวาพระอาจารย์พระป ร, ะรัสสวรรค์ปภัสโลเจ้าสำนักเทพเสียงซ ส, สวรค์เสียงธรรมเจ้า ว, วาดวัดทาเรียบบ้านบึงไคโนนตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อสว ร, รัต์เพลินรับแสดงตำแหน่งในนาทีของ นั่งสาวภาวดีเป็นลูกสาวหล่าของอีเมะก็เลวกันเนาะเ อ, อบาดนี้ยับมาทางเบื้องขวามือของอาตมาภาพถ้าขินตโตธรรมาสาสเสนินสินหนังสมติชามิสมมติพระคุณเจ้าที่อยู่เบื้องขวามือของอาตมาภาพเป็นศิวาพระอาจารย์นิรันจรณธรรมโม เพิ่นาพหนักพักพิงยุทีวัดศีนวน่นอำเพื่อเมืองจังหวัดขอนแก่นให้เพิ่นรับแสดงตำแหน่งในหน้าที่ของนายเมธียะผู้เป็นลูกไส้โกกลูกไส้เดียวของอีเมสืบต่อไปสยเมวะหังอัตตนังสมานามิส่วนตัวของอัตมภาพผู้มีปัญญาน้อยถอยปัญญาลงปรงปัญญาไวา้มีนามปรากฏ มียศทางพระพุทธศาสนาว่าพระมหาสุรวัตรยานาสมปันโนจเจ้าวาดวัดป่าอุดมธรรมบันน้นขอนท้อยตำบลเรื่องไตอำเภอโกสมผีั ส, สจังหวัดมหาสารคามสิสมมตตนของตนเองให้รับแสดงตำแหน่งในหน้าที่ของนั่งตุรุนีซึ่งเป็นเม่ผู้เจเถ่าสืบต่อไปตัดสมา สาธุโภพเหตุนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับตรับฟังด้วยสัสจจะเคารพคารวะในธรรมะเป็นอันดีเธนินมุยมุยมุยในแมรัฐเมยเหตุบุญกระดายให้มันคือบุญในมอเออเอ ถ้านั่งที่ถอดแหลี่เสียงของกระมงดังสันตัวจะริ่นพร่อนก่อนเดินเลื้ยงเขาในเรื่องนี่ท่านท่ำเหลี่จากน้ำคาสอนมาแจกแจงให้ยมห่มโหสิจีหอยต้องมีครูสิจีผูต้องมีเยียงบ่อเปียงไฟสินทานเพื่อนอาจารย์ท่องเผ็ดผูประพัน์ก่อนเรี้ยงดีมาให้เทศนาพระอาจารย์ปลัสสวรรค์ผู้หัวหน้าผ้ากันทองนีท่านท่ำ พระมาหาสุรวัตรเสียงดำตนโส ก, ก่องท้ำนองมวลช่วฝันพระอาจา ร, รย์นิลั่นนกเขาขันเสียงท่องมวลยิ่นสะอ่อนโอมือนิโสกันแหลนนิท่านถ้ำประยุกใหม่เทศเรืองผู้หักได้กินหนังผู้สร้างได้กินกระดูกเพื่อสีเตือนลูกหลานใหญ่น่อยให้หวนหูตอบสนองยานเป็นไม้ตังป่องท่องค้ำหางล่องหลอมยานของปอมเขามาแซงให้ทั่วแต่งนัน่มคาง ขอเชิญยมทั้งข่ายสะดับเสียงครูสุธานบัดนีแมตุโรนีเพื่นสิจษะปากตานกาโยมท่านวาจังได้ข อ, อนิมนต์ข้น้อยนะโมตานสัมพังคะ สันสานนามุตานสัมปังคะ สาม การแจ้งท่าเลี้งคอตอผู้ฟังน่ะส่วนั้นตัวหนุ่มจงตั้งหันใจตอโลสันดับเดือเม่ดือมน่ะโยนิสกันตีตองเหตุผลได้หาโคฮอน่ะมาตัวตายแล้ววังผ่อ มาโหโคแม่น้ำใหญ่ขื้นสุธาสหคาลาลสู่สวรรค์สันเก่ายาค่าเบาตังเตะกันเดือแม่ดึอนาโอกาสบัดนี่นานสี่ แจ้งตาเลี้ยงไข่สวัสดีสหัสไทยพูวได้มาวันนี้ บุญฉันมีจังได้มาเห็นน่ฉันมหาสุราวด์ได้มาพอพวกทานะละบุญคองเอาฉันเลีท่ทานได้เคยรวมดอกวัมการยิม น, นะนาโอกาสบัด น, นี้นานมาแล้วละเมีย มาอีกแล้วลําเพี่น้องมหาศิษย์สุรวัตรถ้าฉันมาก็เห็นเลุยขันบ่มาบ่เห็นสาหามแม่นสีดํากับบ่ดำคือเมื่อหรือคือตัวกลางให้ดอกยุบเมีดําแตะกาย บ่ดำใจดำกะหู้อ า, นาบน้ำบ่ดำบ่จังเสีฟ้ายเมนเจ้าภาพมูนว่าอยากได้กระได้ดังความหวังแล้วละได้พระมาหาสุลาวัดนักเทศ ด, ดังดังประทรงจำนงพ่อหอมบ่เมีนคุยบ่มีนหมว ดังอิลลามีไงขันมีเชียงเทียนใส่ลับร้องดังเถื่อนดังเนื้อบะเม่นฟอร์ยิดังควงฉันกะหากมีซ้าจ้อยบ่ดังเปียบดังหมู บ่ดังตู่ดังเอิยนวาดังลานี่ความสำลันน้ำไหลกำลังใจแก่ยุ้มท่านอาจนำความขันลาขันเตรีมฟิ ฟีกาไดยอนเพียลาหานาโดกอันเฮนนาลาหานาสัต ณฝ่ายว่านางตรณนีผู้เป็นมารดาของลูกชายและลูกสาวเมื่อสมความมุ่งมา่ปรารถนาแล้วคือว่าลูกชายและลูกสาวได้มีครอบครัวกันเป็นฝั่งเป็นฝ่าแล้วก็ไม่แค้วที่จะเป็นห่วงเพราะสมบัติทั้งปวงยังไม่ได้แจกแบ่งให้แก่ใครแลใครเลยยายตรณนีจึงร้องเรียกบุตรเข้ามาพูดภาวาดีเอ้ยาวาดี อะไรมันตือนไปนะาะฮะนีภาวดีกระดาะไงไงพ่อใหญ่แม่ใหญ่าวดีสาภาวดีจะ ก, กล่าวถึงภาวดีฟังวาจีของมันดาสั่งสอนว่ารู้คุณอย่าทำวุ่นในภายหลังเรื่องคุณนางไม่สนใจอยากจะได้มร ด, ดกยังหยิบยกเป็นเรื่องราวขึ้นมากล่าวกับแม่ของตนแ ม, แม่แม่เอ้ยแม่แมแมแมเออเป็นจังไงก็อผิดกูผ<อ> ก้าหูจากวายูพุ่นยูดอกเป็ดจังไหนก่อเอื่นลูกขึ้นมาตาเสาตาเสมนดีมิเลียงมีเล้าอีห ย, ยังล่ะเมมาฝ่าวเอื่นกระดอกกระเดียะเถหนึ่งเขาแท่นลูกแท่นตจาจักสีมือมือเมือ8ดมือกับบได้ติย่านตลูกได้ลืนแถ้เจ้ากะไดป้ามึงสังกาวาก้าวาเถอีนี่อันวาปรัตาลูกได้ลืนนั่น อันธรรมาดากันหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามันเป็นนาทีของสูเด้ผ้าวดีอ่ะมันก็ะเมียนอยูด่ดอกขคอยก็ไปสอยแวียก้อยงานพ่อ ย, ย่จันทร์ประเทศญี่ออปุ่นสร้ยพ่ยจันทร์อันส่้อยเย่จันทร์ธันวาประเทศญี่ปุ่นแจกเข่าหาออพี่หาน้องเพลินเมื่อคืนนี่สังกับว่าได้รับได้นอนได้แม่ขางสามพ่อมึงตือนสวยล่ะไม่เห็นพ่อวันเนี่เมีย่ยงไฟเขาเจ้าจตือนแต่เด็กลุกแต่เจ้าหุงเข่าเป่าฟไฟอันนี้เตือนสวยค่ะกระดอกกะเดียตือนสวยตัวบังตือนสวยจะได้แมเอ่าเมื่อคืนเนี่ย อันไปซอยงันพญ่จันก็ใสเอาใสเอาเด้เมยซอยเวียกซอยงานบัตรกะขวบบักพิกเด้กะขวบเข่าขวบบัตรก็ซอยหอมล่างถวยร่างซ้มอยู่บั่นอันฟังซีทุ่มหาทุ่มสักว่าสีลอยมาบ้านยอดดอกเมยอันจังไหนุมเมย์ัวจังลาข้อสันเข่าทั้งอันปลากล้วยผลไม้ผลไม้ปลากล้วยผลผลผปลากล้วยอลไปแล้วก็ไปนั่งไปนั่งนล้ไปตั้งวง ตั้งวงแหละกับเกษียเปียบเขาจ้ามาคืนเนี่ยเขามั้มเหล่านังหันม่อ่าเม่อีบอกแล้วหลายเตียนหลายจะแตไปหาเล่นการพนันมันบาดีบาดีกันยั่งว่าอ่ามันก็เปลี่ยนไปเพีนี่เนาะอีแม่ก็ะดายก็เล่นอพอได้มวนได้หวัวได้ซื้อนี่ละปล่อยอ่านลมอืม อ, อก็เล่นแล้วบานีกรกลับมาล่ะแม่เออก็เล่ น, นอนตื่นสวยสลักเป็นที่ไหนล่ะแม่ขาอ้า ล, ออลูกขึ้นมาตาเสียตาเสวมีเลียงมีเหล้าอย่างสิปึกสาหาหรือก็ว่ามันขึ้นเหมือเตืเหมือนตึงก็เราก็เดเถเจ้าก็ะดายมีเลียงมีเหล้าจังไดล่ะเ อ, อ เฮ้ยอันเบิงดูนาะเมียกลับไปซอยงานแม่นบ้านล่ะแม่เมกับไปซอยงานบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาเถ้าอันเพราะไงอันประม้วนนั่นน่ะล่ะเออเป็นอย่างไงแ่ปะมวนเป็นอย่างแล้วว่าดีตีเอาดียูสันีล่ะดียูเราเป็นอย่าเล่าก่อเพื่อนันเฮ็ดบุญหาพอหาเมียอันมีกลับมาบ้านมาเฮดแตเมยก็เลยคิดหอดพอสูสันดอกนาโอขึ้นอดอีพ่อก็เลยสิเบมากับเพราะไงม้วนสันตี อ่าผมเลยบอเป็นตัวถิบทอดแดดนจักแล้วเนาะไปว่าไปเห็นตัวนั้นไปยังโอ้แ่าแล้วโอ้ท่าแล้วไปเลยไปเห็นเพือจังสั้นล่ะเป็นคือจังไหนตอล่ะเม่ขาบาดนี่ปลาอยากให้อยากส่วนสูนี่ภากันเหตุบุญหาพอสันเดล่าโอ้เอินขึ้นมาตาเศ้าตาเซล้าอยากท่ามบุญหายพอกระดูกเลาจากดินจากงาพอได้ขึ้นสั้นฟ้าวิมั่นแก้วเซลดาสติเม่สันลาลาเฮอีเมก็ได ซี่เป็ดล่าอย่างกระดอกกะเดียตีอีพอหันผู้ตายกระไต่ไปผู้อยู่กระทำมาค่ะกินสืบต่อไปโดยต่อเมย์อันอีพอ่ะหันว่าจะกินข้าวเก๊ก่นาดฮอตวันที่สิบห้าสิมาเข่าข้อมฝันบอกเลขท้ายแดงเจริงน้ำมันน้าเมียงเข่าอันนี้ตายมีไต่มีต่อเมอยเจ้าซี่เป็ดฮอดเราอยังกระดอกกะเดียดตีอีพอหันเจ้ว่ากระดูกอีพอมันี่มันงามสติเมย เอ้ายไปเบาเจ้ามันบดีเด้อบดีบดีมัดมอดีมัด่ายจาร่าสังเกตบังเลยอั่นคันหน่วัดว้ว่าพาเน้นกับผิดกันมนึงพึ่งเืชกระดูกอีพอหั่นคันใบเฮียนใบซานหลูกหลานกทั้งห้องทั้งไห้ที่ไปเห็นในเสียงเงินเสียคันน่ะพูดเอาไปลอแม่น้ำโขงปวดกระดูกอีพอหน่ะจับไปเสียเงินเสียงอัตะเมงเอ้ยการส้างน้ำทําบุญ อูทิดส่วนบุญส่วนกุศลหาภูมิพรกคุณมันเป็นหน้าที่ของสูดได้ลาเอ๋ยมันกับเมนยูกับเมนหน้าที่อยู่ดอกแม่ขาพระกับว่าได้เทียงอีตูเทียงอียังเจ้ารองจะว่าการเห็ดบุญแก่เขาบุญ้วยที่จะว่ามันิ่งง่ายเห็ดด่ายเนติจะเห็นพะยหม้วนเห็ดเดีวจาว่ามันดีมันงามติพะยงหม้วนเนี่ยมักห่อกับมักหน่อกับมักห่อับมักน่อกับมักห่อกัน่อก่อกัมห่อกับหนอน่อกกหนับก่อน่อม่ พยงยมวนนั่นน่ะเพื่อการมีลูกมีหลานมีเงินชาปนากิจมีอ น, น, นั่นน่ะนี่มะฮอมะห้มกันพุ่ละสอง0ันสาพันพ่ละหมื่นเปิดตบจังเหตได้อันนี้เงินเป็นหมื่นเป็นเสนยสนผเจะเสีอมัตร์ส า, ายระเหตหาอีพอหันซ้ำมะนำเด้อแม่เด้อ ขันเราพีเราน่องแกล็สองกาดสองข่าวไปจังสี่เมีเออผัวหลังกลมาสี่สองอกฐานสบาททั้งกลิ่นทั้งหอแมีเออสะดุดต่อพลามาขันเห็กระดาษตุ้นแน่นอนแหละเมีเอาเห็ดบุญเขาบอกว่าได้เห็ดอากําไลเด้แหละเออยังไปหวังคิดยังสั่นแมียไ่ได้เห็ดอากําไลเอออ่นกวอนเมจีวังสั่นเสี่ยงเงินมาแต่ใสเ็ดบุญเห็ดกุศลวต อันเมื่อกลับได้ผัวแล้วแมนโบ<แ>เหตการเห็ุงานแล้วแมนโบอเอากับพ่อสีได้พ่อสีได้เงินยุติคืบว่านั่นเอามันกับพอมีพ่อได้ใส่ได้ซอยละแมเ ง, งเงินเป็นบึนเป็นแสนจังสั่นอั่นพระบดีบ่อมีดอกพ่มีกับพ่อมีตัวประหันได้เป็นหลักเป็นแรงนี่อย่างาเชานเอาจังสีสะเมีขาจ้าไหนเลี้ยงทำบุญหาอีพ่อกระยุไหวซะกอนเปียงลูกว่านเทากับบ่าวาเลี้ยงสีหางสีมีไป็นอ่ะนี่เป็นอย่างแมงบ่าวเลี้ยงสีหางสีมีนั่นเอาบ่าวเจ้าไหนสกกดจากหู้จาก นออีเมียกระไรอยากหูอยากเห็นว่าเตียอยากหูจากไวเฮียนสานบ้านซองงัวควายไปเขาให้น้ป่าท่างน่าที่นังโจโกอยู่ในเจ้าสิแบงสีปันในผู้ใหญ่สเนมีเดี๋ยเดี๋ยวพาะบัติอยากหูส่วนนี้อยากหูส่วนนี้ ส่วนเพียงทำบุญหาอิปพอเอาไว้เดียนหาฝ้าหกมีเงินมีคำจักเคียดหาเราก็ได้ดอกแม่อันเบิ้งเด้อผ้าวัดดีเอ้ยยาสาเฝ้าทมหาตอนเลี้ยงมูนี่นั่นเบิ้งเลียวเบิ้งนั่นเตียงงงเตียงงั้นายผูกแขนเ่าท่านได้แก่ออกจากไม่จากมื่อยนั่นมึงเตรียมมาสีถามยังอยากได้คักแต่มุ้นบ้งสังขยานั่น มันกจียวกยงกับฝ่ายผูกแขนยูแขนยูมือติบัดเนี่ยมันคนลาเรียงลาเล้กันแม่เอันมุนมั้งสังขยาหันกับอานันการแต่งการแต่งงานนั่นเดี๋ยวนี้หันพระบัลลีอยากหู้จักพระเจ้าสีแบงสีปัดเนี่ยเจะสีนั่งติ่งไม่อย่างกต้องเดบุญมังสักขยาน่ะังติ่งไตเผาหัวเจ้าของตีเมเาไปตัวทิบตัวเดียนปานันแม่ล่าเอ๋ยฟังเบิ่งกอนสิแบงบาแบงกระไที่มเอิมากมือนี้บ่ได้เป้าเลียงมุนเลียงมังเดี๋ วา่าเสเอื้นมึงมาสั่งมาสอนใจเหตุนี่เดี๋ยวเนี่ ย, ยสอนสันเนี่ยเออคูไดเย็ น, นเขาไปว้าเพื่อนว้าขวัญมึงอ้อมบ้านแตกจนจนย น, น<อ>ั่นาไปล้จักคู่ไอ้ล้ำไละเป็นเพืเว้าเพื่อนว้าขวัญสัต ว, ว์บีวดเออาป มาปากเปลี่ยนอ่อนกระดกกรเดียดไปย้าย น, ง า, นงางยุ่ท่าหลังยังคักนั่นปากเป็นเปลียนนั่นอืาอสิบัเว้าพื่นเฮ็ดยางก็ไปน้ากันตัวกับเราก็ไดสิบาบบ้าพื่นสัตวจังใดกินเหล่าห่อเฮ่ห่อเหนกันเป็นข่อยตัวเป็นพุชจนอันเฟียบปูอย่างมะบานมะซองก็ไดเมเบ้าวจังว้าวสีสั่งสีสอนสะก้านว่าสั่นทอเออที่เมียนมักสอนกระดกกรเดียดน้อกินเข่าเสากะสนอสนกินเข่าเทียงกะสอน กินเข่าเล้งกะสอนย้ำมาคำมาคืนมาได้หลับได้นอนเข่าข้อฝันสอนจะเบิดมือเบิดคืนเอาสอนสอนมาดีๆเด้อเมเด้อสอนบดีสิลงธรรมศาสตรประเด็นป๊อกดิ่งคุ้มวัดเป็นไอ้เื่อเนี่ยสอนบัดเนนันโดรามมที่จะหาว อันเชาาเฮาผู้หลอมนางฟังอดีตนี่ท่นนานหลางพอกวีเันฝากไว <ไป S 1> ้ผลงานเชียนดอกไ ม, ม้มือ โลกวนวายอยู่ซุ่มมือก็ย้อนเลี่ยงมุนมันอันผู้ฮักได้กินนั่งสิมเมนจิงงลืมมาให้ผู้พอใจก็เอาให้ทำเพี้ไปมันบ่ถือยีแม่อือ ปูสังกินดกเขียวอันเกินกลางลาวังคอนะจานทองเพียรบ้านเจ้งคอหอมนะย่ผลเหตุมาขยายทากบัญญกติคติทเทศสนาดอกไข่อาหารนะ แมวสองตัวพวัตหังกลางเอาข้าลุมออกเบา อ, อคัวลานพระมหาสุรวัตรรับนาทีแม่เลี้ยงติกเผยขอต้องคดีนาตัวรุนี้นั่งจึงเบาต้อลูกอ้อนดอกทั้งสองั้งกะมีพวง เป็นฟังฟ้าทั้งส้องกะหามลูกสาวจำมันได้เอาหมุนมังออกมาแบ่งวากับเมีแข็งแข็งอยากขอบฟ้าอยากได้อันไม่ยวงกะบ่ป่าอันนี้นะพาวดี โอยบ้านก็ยังเป็นบ้าน เป็นกับหานยังข้อยาวขาวยังข่าวสีงามกันมูนามบ่ทันตูห่วคูเป็นคู่แหลงเป็นแหลงหัวเข้งแข้งบ่เป็นข้าที่บิดามันดายังบ่ว่างไปสีสางดอกแบ้งป่าน สวมพ่อจันเจ้าจังจานย่าเฝ้าหันดอกคอหอมนะสวมอาการเจ้าขวางเอียงย่าเฝ้าตีกันตนุนไข่ความ พอใจบ่ทันแล้วเสีแอลเลยกับบ่เมนเพื่อนว่าหมือนดินแกนฝนบ่ตัวกันหยาดย่อยมันผิดแยงเหตของน่ะเพี่เป็นเพี่นองเป็นนองน่ะฟังแม่ก่อนอยาดันหลยอยากได้มูนมันบ่ตายอยาหหันหุนไล่น่า ค้นมันดาบินดานั้นฟังมันดาเสิบตวเจ้าท่านหัวแล้วไปโนอพี่ใสยังบ่อนเสิมาบอนตั้งแต่ตัวนังยน นาที่พูนั้นมีหาง น, า, น, า, นาที่สักโกนาอาศัยส้นดอกหายางโบากันยังบางๆพอเมียหาลูกเต้าหาเจ้าท่านหัวแล้วไปหน อจังว่าก่อนหนึ่งนานขอให้พวกเจ้าแต่งเลี้ยงตอบสะนองพูนได้แก้ตัว บิดางนะอีกกับทั้งมันดาอยับปล่อยไหลให้มองมหวงขอสองนอจิต ท, ทั้งปวงให้เจ้าพาคกันช่วยสองเพื่อฮัตาเยวาวุญข้อที่สามนะให้ดำหลงวงุ่ตะกูล่าให้ภัยหยับยำไม่จำขาดอกใสใจให้คำ ขนหัข้อที่สียทรัพสมบาตเพื่อนให้ไว้ยาซื่อใจใครกินทรับในดินสินในเฮียนให้มันเพียนเก็บมีเฮียนจังว่าข้อที่ห้า เออจังว่ากอที่ห่างนะนายามเพื่นเวียนขึ้นคงมองละนั่งกับบ้านเก่าไห้โมลูกแล็ต่ตทำบุญสร้างดอกสงห่างนะ ข้าเียนนะ้าเพิ่นปัน่นไห้ข้าไก่ใจเพิ่นเวียนหมอบหอบใส่ลูกตลอ ด, ลอดเกียงบย่เหนีนยวขียนแต่นี่เพียงนานลนางลูกเมีย ว่าอินทนน จังสั่นละผ้าวาดีเอ้ยแนวแม่บอกแม่สอนนันจื้อจำได้บ่ว่างหันในโลกละจื้อได้ยูอดอกอีแม่ขอที่หาขอม่มอขอสุดท้ายนันอ่ะแม่อย่างคือว่าจื้อได้ขอเดียวตอนนี้กูคือบอกต่างหาขอพุ่นยี่นี่อขอที่หามันสำคัญเด้คุณแม่สำคัญแนวใดอันย่างแม่เวียนขึ้นคงม่อละนั่งขึ้นบ้านเกาขอให้พวกลูกเต่าท่ำบุญส่างเตงหาปฏีค่ำสัง่งค่ำสอนนั่นอือยากกินแห้งเสติเขาเจกคัน เอากับว่าอยากกินแฮีงแหละเนาะอันนี้ก็แม่กับว่าเป็นหน้าที่ของลูกสันนี่กันอยากกินหลายกับฝ้าตายสิตีสิเก่งเพราะพ่อไงปั๊บวันไหนมันเหลี่ยมันตัวมันต <ไป S 1> ัวเนาะกูว่าตายไงได้อินอีกกระไรแม่เอ้ย เลี้ยงบุญคุ้นของพ่อของแม่นะเน่พาวดีนี่จื่อจำใส่สมองได้ดีแต่แตาออกโรงเรียนมา้าใหม่มจะจื่อความได้ฝุ่นแม่มขันเจ้าทีเจ้าแพงมุนหมังสัก ข, ขัยเจ้าบะเบงบาปั่นมือเนี่ยจ้างกับว่าได้กินและเขาเกะกันเข้าหูนี่ทะลุออกหูนี่คำสัง่งคำสอนถนาดแม่ เจ้าหู้จักบ่ว่าฉันจะหู้จักอีอย่างนั่นอยากหู้จักอย่างอยากหู้จักว่าเดี่ยวนี่ น, นั่นสีแบงสิปั่นยันไดเดี่ยวนี้ไอ้มิตรที่อยากก็ได้ลูกได้เ ม, <Job S 1> มียมาอยู่เฮียนอยู่ซานแนวพาวดีก็ได้ลูกได้ผัวแล้วแม่เอ้ยเฮีย น, นหลังเดี่ยวนีคว่ค่าลูกค่าเต้าค่าลูกค่าหลานเลนักมาสีวะเลนแต่มันจะตืมต่ำตืมต่ำตืมต่ำอยู่สี่พาวดีอยากแยกเป็นส่วนตัวของเจ้าของบ่อยากแก่อยู่แก่กินกับไอ้ากับพี่นางเสด็แม่อยากแยกเป็นส่วนตัวจังซาน อ, อ, อีพออีพอกรแล้วสิตายไปแล้วว่าฝากความอย่างไม่กับเจ้าจากย้างจากแนวติสานหัน อ, อันนี้เราฝากยึดตัวลูกอ่ฝากกิติเมียฝากยูโอ้ยสังกัคือทอดเอยจุด อ, อีพอกระดายคือทอดลายสันทำงานอยู่กรุงเทีย่ยกรุงไทยนะ่ะทำงานอยู่พูนน้ำฝรังผลขาราบาปล่อยมาในอีเมียได้ยินข่าวว่าอีพอแต่สันให นี่าสันเดเมให้น้างอีพอหันให้คักวัตีสิให้บ่ประเม่นถือแกคือทอดเราเสร็จเดเมกล่าสิฟ่ามะเห็ดบุญเห็ดกุศลหาเล้าเนี่ยละให้มีเงินมีขำก่อนเดพอเดือสนอกสันวาหันอันเราสั่งความไหนแล้วาจะไหนละเม่ค่ะเราวาจังสีตัวผ่าวดีพนบอกหาผ้าวดียุติตัวน้อเอ้ยอีกะจะเป็นดีโพดีพซัสวาว่าจังไหนเมอันให่ตูวเอ้ยพนาวาขันคอยตายให้เบื้องลูกเบื้องเต่าเน่เด้อ นเมกกะเลว่าเมกอะว่าขอยืมเบื้งดอกว่าต้องเป็นห่วงดอกแถาแมกกว่าจังซีเขาบัดนี้อันทรัพย์สินเงินทองเงี้ยหน้าผาทางห้สันตีวีปลาอ้อยปลามันของสันนนะปลาอ้อยปลามันปอาู่คะปลาหยางผ้าละเอ้ยเปิดซูยางสูเนียวตัวเนี้ยเราบอกว่าเรื่อง้าไฮไพร์เดอร์พนัคงานเจียใหฮก้าไบอกเมทีจะพูดยาว่าจังสี่สันนี้ อีปาวานอ้มอามัต่ายสัวต่ายซ้ำแต่ตา่ายผสมคือทอดแต่อีปอก็ไดัเอ้าเมยมันบเถือกได้เมค์ขาเอาเชฟบ้าถือกจังไหนหลวงนาอะก็ว่าเถือกด้วพอที่บว่าเถกทีเดียวนี่อก็บว่าเถือกทั้งเจ้า่ะคัเจ้าเสียตามขมเล่าขมวาโนวาหันภาพวา่า น, นีก็เป็นลูกเป็นเต้าคือกันเป็นลูกสาวลาู้สียดียงเสีเจ้าก็ไม่คอยดีตคอยดีตคอยดีตคตเป็นผู้เดียงผู้เกียเจ้าหันที่เปรีแบงไปปันไอเมที่าจะจังไหนพูดเดียวจังสั้นบได้ เจ้าเป็นเม่เฮียนเม่สารเม่บ้านเม่ยซองเจ้าต้องจัดการไหมครับอีพอสังไว้ย์ไปต้องไปเหตุตามเขาบอกเหบ่งไม่มบ่งไม่บ่งไม่บ่งไม่บ่งไม่บ่งไม่บอกะไรก็เอาตามนั่นนั่นะที่บ่งไม่จังไหนเดียวนี่เออแม่ จะคือสิว่าคำเดียวจดปกินขาวคำเดียวเถียอกระพอทุ่งซังไหจังสันนังไกรตายไปแล้วตัวอพอเจ้าสิเี่ห่วงไปยายเราอย่างก็ะดอกก็ะดียดเจ้เมนกคือน้ำผู้เปลี่ยนคน้นเป็นอย่าง้คือนผู้เปนคอกรสิบว่าเมีบ่คือน้รราพอสูเขากรสเขียดให้แม่สันต เ, เ, เป็นมแต่เทียงที่สั้งบารตพันสิบว่าอีกแล้วอจ้าไจังซ้หุ้จาเราเขียดเราตายไปแล้วเราสิยียุ่แก่ไหนบุมไนสิบหุ้จากน้ำหน้าน้ำตาเราป อันสันกะลูกกะเต้าคือกันค่ะิมะแวงจังสั่นแห่ไอ้เมธิยาสั่นมาได้เด้อได้เด้อแมยเด้อมาได้เจ้ากงสั่นเด้อไอ้พินเมธิยาเจ้าโกลูกโกงเต้าเดื้อแม่ ว่าหะแล้วขยิบขื่นสารฟ้องขอเจ้าด่งที่บอกไงอยิขนสารฟ้องเมียฟ้องฮแล้วฟ้องกับกระมิศที่ขึ้นกัดเด็กเป็นลูกเป็นเต้ามาอะไรอย่างจั้ยางแจ็ดเดเอาเลยเอาเลยเอาเลยอีนี่มัยอนเศษเรค่องขาดเมธยาเอ๋ยมืออึ้งส่องเม่หนึ่งมันพิเเด็กชายอีแม่ครับมันเป็นจังเสียเป็นเป็นโพสส์เอาเอาโสเมิยาสชายความบรรยายของน้องสาวเอาเรื่องราวมารดกมาหยิบยกขึ้นมาเมธยจึงพูดกับน้องสาวของตนว่า ว่าจังไรผ้าวดีเอ้ยมาสังเวาสังวากระดอกกระเดียดแทวห้องห้องโพสังกากระดอกกระเดียแทวผ้าคอยศูนอ่ะสูนย่างเดียวดิสูนไห่อีมเมย์อาะสิไปสูนให้อีเมยจังไรผู้เพื่อนเลี้ยงเข้าไ่เข้าโตมากะยอดอีเมยนั่นตัวสิไปสูนให้เพื่อนแนวด่ายอ่กระสูนนั่นตัวหักลูกเพท่อกันมาจังไรสิไปสูนอยู่นี่ ถ้าเป็นโมเมนพวกจิตตนย่องคอผัวเนออีเมะจังได้จังว่าอีเมะเราหักลูกบัทอกันจังสารพ่าหักลูกบัทอกันหันตัวขันแบงบุญแบงมันก็ให้เจ้าผู้เดียวให้เจ้าผู้เดียวให้เจ้าผู้เดียวไปเมื่อไหรอย่างจังแกจังแนวหันเมะอันเพื่อนเฝ้าเหลีซื้อเพื่อนเว้าเหรีซื้อมกมัจังไหนบ้างึบอกมาติดปากเดียพามทั้งห้องทั้งดาฮาวทั้งซี่ไม่ซี่มือใส่ฮาพอดเมนตัวอีเมะมึงกติดอกติดใจยังกระดกกระเดียเพื่อนเฝ้าเหรียญซื้อเพื่อนเว้าหยอกลูกร อีเมยหยอกสันติมันแม่หันซื้อมาหยอกแหงไต่เม่มันถีอีเมย์กระไรกไงอไปทอิทเดเนาะนี่ก็ไรเนั่ันฉนลปากันขอโทษอะไรพีว่าจังไหนก่อเม่วบางหันนั่นตัวมาสอนแน่หลอกหลาเอะไรทยาว่าจังวาจังอีเมยนั่นหยอกสันติหยอกซื้อๆนี่แล้ว เอาขันยอกสันคดาแล้วแ้งแ่สนะไอเอากระจังวานดิละมึงสิเป็นบาปกรรมติฮะดิเอาเป็นบาปจิตติคอยหลงปเอาซื้อเหมอวะจีกรรมมโนกรรมกับเป็นบาปเป็นกรรมคือเกาต่อหน้ารับหลังก็เป็นบาปเป็นกรรมมึงสิบต๊ะนลกใหม่สติภาพปนีเมื่อเนี่ยเฮ็ดจังไหนคอยจังสพ่นกรรมพ้นเวรและไอ้ิมัสสิไปอยากอี๋มึงก็ไปเก็บขันดอกไม้มาขอขามากาบบับลงสามเถื่อขอขม่าเล่าหลก็แหลวดันตัวเม่ S <S มือเลี้ยงนงังสไปเก็บดอกไม้ขันหาขันเปียมาสสมาเจ้าดอกเลือดมีเด้อขันสันสม้าเจ้ากับพระสารีสังกัดตัหลายๆดอแมะมันสั่เ็ดไสเนาะอีนก็ไหไอจอันไหนบาจังบอถิบวอมันอีหยังดอกจีบวอมันอีหยังดอกเพื่อนเป้าหยอกซื้อไอหมุนหมังสักยากระยังคือเกาหลตีไออ้าวยังคือเกาตั้งโจกโผคือเกาเพื่อนกระสีแบงให้ลูกให้เต้าสุผูสุคนทอๆกันน่ตัวอ่ีบ ยาอไรนงดหนันมสั่งบอไปทวนไปทีบพ่อดีน่ะเมธิยาเอ๋ยตัวมากรับพ่อดีนั่นแหละมาสอนเม่ซอยนองในลูกลาอู้นั่นเอาไวรองนซอยเมีสดอกเม่ยเจ้าก็ไดเออเสอนนองซอยเมียใลูกลาเยเอาเจ้าบอกมันกระบอกสั่งาทตมันไหลยังียแล้วเอาครับจังสันพงศ์สอนซอยนี่ละแม่ว่าจังไหนก่อ เอาแม่ให้อา่าหนีสอนตัวซอยเล่าอนเดอเอาจะทีมาสอนอย่างสิลงเฮ้นไปแล้ว น, นี้ได้อาทิตเอาสิล่งเฮีอยนไปใส่เอาสิไปหามื่อ่นสันย่ได้กลัวผนเอาสิไปหาเพื่อนจังไร ฟ, ฟังไอยเบาไ อ, ไอวาซะก่อนไอ่สีสั่งสีสอนขัดอีแม่เบาเต่ากรบอฟังบัดี้อ้สีเ้าให้ฟังได้บัดี้เอามาสั่งพดเถิแม่เึ้นมากกาสอนไอ้เขนมากกาสอนมาสั่งเขาสั่งแน่แต่ไหนเาถือกันปั๊บปัปั้นตั้สาตว์แล้วแม่กับอ้กันได้อยท อสอนมันหมันให้เจ้าพาดย่างมันเนี่ยเอาสิ่หมันอยู่ติมือดิอ่ะ้องเบืองนี่เนนานาโมจบสามบานอาพี่ วันธนาวาดกาพบาทพุทธเจ้าขันอง์เงาเปี่ยมภาคุณยิ้มดาขาลาวะน้อมธรรมะภาคคำสอนอีกพระ ส, ส, สุงผู้สุงศีลผู้ภาคเพียนตรงแนวรัตนังสามแกว้ว ขันลูกกาดอกสิงซาสีบุวของผู้ขาปานมนอมแนบหนาอือบัดนี้ข้าพระเจ้าสิได้เล่านีท่านก่อนเปลี่ยนคำสอนภาัาธาศาสดาองล้ำได้แกรทมที่เลียนแล้ว มาเป็นเนแนวขันเผยแผ่ให้แก่ญาติพี่น้องผู้ค้าของดอกปองกรรมดารมพระองค์นั้นลึกล้าหามลายากสี่เก้าพันล้านดาผู้ปัญญามหาศาลจังวีจันห็นแจง สามารถเปลี่ยไขสีสาสนีโอ้ให้แจงกระจังผู้ปัญญาเบาบางเชียนจังข้าพระเจ้าบอมโบกพองดอกปองเป้าจังได้าละวะเกี่ยวดอกซ้ำน้วยพระจมไตเองขออภัยให้อโหสิบาปยา มีมากวากว่าจังว่าความหมองมัวอยู่ในใจให้สิ้นสวงสิ่งทั้งปวงให้จวงแจ้งแสดงให้ดังประสงนั้นดอกนางสาดผา พินสองยูเลื่อยดอกตามเยียงวางวีที่เหงละพุนของพ่อกันแม่นี่ดอกมีมากอนา น, นาันนับจับประเด็นนี่ท่านทำดอกนำนี้เขียนเปล่งละพ่อกวีประพันแต็มเสแสมยาฝาตะ่างโงลอันความอยาก ของมวลชนบอจากจบและสิ้นแม่นกินได้กะเล่ากินบ่จากจบคันทั่วเรียนล่ะขึ้นซื้อว่าตัวตันหาอาวิชาคือควรนดำลำบ่เห็นวิถีทาง เดินผิดทางยังผิดเซเอเอนละเห็นของดีกลายเป็นสัวหกนาตากะมัวมีแต่มืดแปดด่านบอจากหดอกหอมตายมีทิยะผู้ไอจ่าต่ออุนผ้าวาดีง เมียพาที่ดอกเตียนซอนสั่งบอฟังควมเท็แม่ว่าขขาวน้องว่างเล่งเอาแขกันมันบอถูกเขาเป็นลูกและเต่าไเน้ำทองดอกเพิินมั่งดา พุ่นพ่อเมียใหญ่กว่าฝ่าดอกไหลกว่าทอละนิงดาเม่พ้าที่ันเตือนสอนสังบอฟังความทาแทงเม่ว่าขาวนองอยาไปดอกว่าเล่เอาแค่กันมันบ่ถูกเขาเป็นลูกและเต่าดอกเนา่าทองเพิ่นมา คุณพ่อเมียญยกว่าฝ้าดอกลายก่าทอลานียงเดเมียผาที่ดอกเตือนสอนสังบบฟังความแทแง อินดี้ยมสมสู่ผู้ใดสู้เสดพ่อเมียให้ฟังคำดอกเพิ่นเนืยอยาสีอยากได้บุญนก็ได้ขอคำสอนทานบ่เมียนเนี้อังดาอันบูญนมัม่งคันได้แล้วเดี๋ยวกะจากดอกตายปางโอวาด ของมานดา่าบอเืีอมสูญไปดา่าไองเพื่อนว่าไหมนองอย่าไปดอกว่าไฟกัะผิดไหลควมเพื่อนสั่งทราบอัญญะมันยางบังพ่อเมียกับลูกเต่าโบรานเบาต่า ง, ตาตางแต่ได้ดาลูกกับเมียนั้นใสจะตองเพิ่อนเพ่ง ผักเพื่อนเตือนเฮาด้วยความหักบอปล่อยป่าขลังที่เอิดละเฮาต้องพิมพ์เขียนไว้อันคูนหนูดอกของทานยาสีหันตอบกามันคือขาทานพาพอมละไผผู้จมกันเสียดเยืยอละ สองทานขันพมแทนแม้นสียทำเนี้ยได้กระจุ่มจมบ่อฟูเฟียงน้องยาเทียงดอกสองเท่าเสีชาวใตคือยาฮัตนาอสำรับพ่อของเขาเพิ่นกระไตจากเล้วอันเลือแก้วดอกแมีคขิง เพื่อนกะบอกกันได้นีเหงเลียงเฮาใหญ่จนเปลี่ยนให้อาใส่คุณมันด่าถูกสิ่งอันบอผันเปลี่ยนล่ะบอทวินคุณแก้วสีเอาใส่เปลี่ยนที่เพิ่งขอให้น้องในคิดเบิงอย่าว่าพี่นี่อวดลวนเตือนน้องไง้ื่อจำคำอึงล่ะ ลานั่งโอ้ยตอนนี้พัวดอกลาหามล่ะอยากได้ส่วนหม้อลโดกสีทกเถียงตามสีก็ะบอผิดอยังน่าอ่างเท้เวลาบอท่านใกล้ต้องดูไปดอกสะกอนลูกลื้นพอกันแม่สอนล่ะมันบอ ดีคันดอกน้องให้จำใบใสมาดูไอ่ ไอ้หนังเงี้ยอันนั้นอหมาเมนจื้อเมนจับเลยจักเล็กจักน้อยบุลาภาคือจังเฝ้าจังฟังกระดอกกระเดียแท่เจ้ากระดัยไอ้ทีให้คอยถามเจ้าเนืถอทองถามเมนหยังเจ้าเกิดวันเดียวเดียนเดียวปีเดียวกับอีเมียตีมาคือว้าคือกันกระดอกกระเดียเกิดวันหยังวันคู่ติ อาจจรย์เกลีวแต่ว่าจารย์เอม่ขึ้นมากก็สอนไอ้ขืนมากก็สอนเราจังซี่บัดเนี่เอู้มันก็ะถ่มมาด่าละอีเม่เล่าก็มีหนาทีสั่งสอนลูกเตาอีกจักนึงอ้กระซัมพอเจ้าผู้นึงอีพอเลากระลมเสียหายไตยเสียจากแล้วอ้กระซัมพอผู้นึงเหนื่นตัวก็ต้องมีหนาทีสอนตัวน้องนุงกระได้อยากให้น้องนุ่งเฮ็ดได้ดิบได้ดี อืมกะดีเจ้าดอกขัน่าเจ้าของซ้ำพอน่ะอขันสอนดีกระซืออ้นพอเด้อสอนบ่ดีระซืออ้นบักเด้อกระบอกให้เกิดป้อน่อยปีเดียวเด้อขอไปได้ยากเจ้าเลยที่เแต่ผ้ามึงกระไรนางท่ายจูหันไปเดี่ทั้งสองคนน่ะสีเฮ็ดอย่างคอยที่สั่งที่สอนหมดเจ้าโอ้มึงสั่งไปเฝ้าไปว่าสีมาสั่งมาสอนจังไรกระซีเว้าให้ฟังกระว่ายจังสีตัวนอฮือเอาเจ้าขึ้นมากระสอนอีเมขึ้นมากระสอนสันจูเฮียนหลังนี้สันกบี้ีสอนขึ้นกันต้มเนว่าไม่ไงเอเอาเฝ้าเฝ้าเฝ้าสีเฝ้าสีวาเนี่ยกระไดเนี่ย พคว่าพ่ออกพอใจเจ้าพ่ออกพ่อใจอีเมพ่ออกพอใจพี่นางทันสิเปิดอกพ่อพื้นเจ้าซุมบ้านป้าเผ้าฟังเบิดเบื่อน้าเบเนี้อันวาจังว่านี่โมตเป็นขนผิดติดนี้พาว่าดีอจจะว่าผิดพาผิดอจะทัฟังเบื่อว้าเบื่อนั่งยื่นจะเขี้ยวมากพูดเพราะอะไรตอีเมก็ดายบัดเน เป็นวันสางของบุญของเจ้าภาพคณะประจาจโจการมเต้ากลางอง๋องต่างเนื้อเม ตังเนื้อพอตังกะตัง้งตาจอใจจดจ่อมารอรับค่อยสะดับฟังเสียงเอียงหูนอลงไว้นะ ไทยกะซ่งกะคื อ, อนอยากฟังกรอนกะซ่อนสรงกตาน่าจำนงเพื่ออยากรู้ลึกตื่นกะตีขอกระบดีนอพอนุอนอเมน้องน่พังกันมาทุกเขตที่ คิดที่กะคหาดีเอาสาเลือกเกินบ่แม้นสั่นกะเสิญยงนี่ยอันที่เค้น้องห่งอ่ะไพมันเอ้ยคนลาทีตั้งอยากมากะทาดีเพื่อเป็นทุนก่อไว้กะในภากะแผนข้าง ขอประกาศบอกยาำนแนะนำซื้อของลานเยียจานสวรรันด์วัท่าเรยบวัดบางลํำพุนนะเมื่องง้นบุญของเจ้าสาธเาเพื่อเทศดโซ อีเมืองอภัยกะตั้งท่าของว่าอง่นใดในบางอยากจากก่างหูเสือนะลูกบ่างั้งนามบอกกูาลานิ่ซื้อจานสว ร, ร์เป็นพระไทยพันเปิดเส้นเจี๊ยกินปลาเจมยน ขันเม่นเห็นกะเม่นพอ่อขันบอยเห็นบพอพ่อพันยียิงเม่นโยมบอมีงานบอนี่มนอีกด้วยอยากเจอพ่อกะพ่อยนดอกพ่ออึงดอกเมเอึงน ยาสีฟ้าตื่นตินบ่เมนพบดาราหนังเนี่ที่ได้ฟังเฉยเฉยอีกปีครนบ่มีใจเนี่ยที่ดีหลายยังตายวานะอ้าเนี่ย ทีบ้านใดบอกเคยดาผู้มาฟังทอคอยฟังใดกะจังฟังงออออ้โอ้โอ้โอ้โ้โอ้โ้้้ แมาฟังบุงเจ้าหวาลานีแอาจันสวรรค์มาตำคำนิมนต์ท่านเจ้าภาพงานบัวตัวต้มในมือนี้ขอชื่นชมนำทาน่านเจ้าภาพงานพวกท่านแตงเทศมือนี้ ดีบ่ดียาได้ตีทาแรงเสาทางไทยพวกพี่น้องจงฟังมอเงยแมบ่ฮอนชาเลยนั่นละนานสะทาง เรา กันเขาเมาบ่เมาจะต้องเงินแต่นบ่ตอดผู้ต้องไปซึนจะว่าดตนแม่ใหญ่เมื่อมีเพิ่ความแขนจะต้องลวกเผาผ่านลวกเสียที่ยังอาจารย์จะต้องมี ก้าเมืองใต้เนี่ยใหก้าตามคันขาดคอบ่อลงอ่อเบา่อผาวดีบ่อเม่นตอจะต้องเถียงบ่เรียกนาฝากดินฝากกระโบสนเมยไ่เอิน่ ขอออกตัวไว้ก่อนนาเจ้าวานสวรรค์มือนี่รับบุกงได้กุงของกากขันท่าท่าวดีเหลียวเห็นนาพระมันดาปัญฝาพ้าวาาดีน้อขอบุญมังสังคญา เมียบอยก็ชอบด้วยก็ซุยหายในสางเย็น มือนี่ลาเป็นมือบางตูกกะเอาไฟสูมยังกะคุมข้อมูลจากแม่ขิงเอาจนได้แน่ฝังคำไครพีใช้แล้วหัวใจแล้วปั่นกลวยเนา่าอีกผู้นึงว่าสิเอาอีกผู้นึงนั่นบอพร้อมกะลือแล้วสิว่างเอ้อ เมื่อคุณแม่บอกว่าเออลูกสิลินกะคำหนักมักจังใดเก่ามีฉันบอกเคืองกะพอนี สิที่มีฉันสิฟองตามกฎหมายกันสังเจ้าสิแพ้งไว้เห็ดหยางหาเจ้าตายนั่นดีสิยงยุ่งว่าซ้ำใดแม่เนียม่เียม ที่ยาบ่อ ย, ยากเร่อ แ, แก่ตามสั่งพีชายตีปาว่าเดียวคนเดียวกแคแฮงไขสีขันเรียงตามของเมืองลูกสาวลานากรบเพื่อนต้องของขอบตอบบึงรู้สีเม่นบ่สีขอสอมิเจ้าของเร่ะ ขันบ่เสียถามพี่น้องยังผู้ฟังเทศไปยังออจากคำแม่แม่อึงว่ามอบบุญให้กับคอยพอคอยเป็ีนลูกสาวน้อยพี่ชายมันบ่ต้องแมงคอยสี่ค้งอยู่จังสี่อย่ามาเวกาเลี้ยงสอนนี่แม่อึง Mmm. -hmm. เม่นเ่ม่นคอยอาจน้มหอนหลุนมูกกาตามที่หูจากดีหูจากดีมาพองเรื่องอียังสิไปยานเนี่นอันดาพานพอเหงเลี้ยวหนังสามเก้วผูกบ่ออยู่ขันบ่อให้กะลองดูคอยสีเทียงอยู่จังสี่จนมันได้คูสูเง อีแม่อ้ยซ้ำเจ้าซ้ำหนูถือแควบบ่มีว่างกะทั้งโหลดตูกลงสามุนมังวางเจ้ายังสีเพียนตุ้งน่สีขุดลุ่มฝังก่างดับชีวีกะเผาเกี๊อุทิศกุ้ง คุณความดีเพคกุศลไปเอาแม่สีซ้ำในเมรม่เอเม่องงงมีที่ยาบ่อยากได้ก็ตามสั่งพี่ชายตีถาว่าดีเอาคนเดียว หาว่าดีเอาคนเดียวกะเฮงไก่สีขันเลียงเนเมืองเสาวันอยู่ถึงฝ้าต้องลงมาให้หองนั่งหอดบทโปร่งเอยวังเนี่ยแต่เพียงกะซ้ำพี่ท้ายคอยนอ บอกว่าดินนั้นละนะนะศาต์ทา ว่าดีว่าเลวคำหนึ่งบะมี่สองนี่เมว่าแบงกับแบงว่าปั่นกับปั่นท่อเมอเอ้ยเจ้าศินั่งติ่งไว้อยังกระดกกระเทอันมุนมั่งสังขยาฮันนด้เมข้าจะล่มเสียหายตายเสียจากไปนข่อยไกลมิตรทิยาศิบขืนศารฟ้องพีอพุนติเมงอ๋อกลัวเสียอยางให้แบงให้ปั่นในสัวยันกูัตายอ่ะแกจากล้วเนาะ ถ้าเจ้ายางความท่างไปซื้อปลาทู่รถตำเจ้าตายมานันได้เมมันสียากสีซ้าในเมอผ้าวากกระแบงกับปั่นสาเจ้าจะให้ผามาอยู่เฮี้นหลังเดียวกับไอทิตเมศสยาิา้าวาดีบ่อยากแก่ออยู่แกมกินกับไ อ, อ, อกบพีินาง สันไ่อยากแกมอยู่แกมกินกับเราสันอยากเป็นส่วนตัของเจ้าของเสินเมงอยากเป็นส่วนตวจ้าเอาจังสิจะได้พวกหลอก ล, กลกทั้งสองคนเอาจังไหนเมย์ันม้่นลูกอยากได้นี่ยมาาเมยบัวแน่วใด้แต่ต้องดูกันไประวางพีส่ายกับน้องไพผูกข้องคว่ำดีไหวเมย์ปงใจเวียนมอบหอบไสออกโอโยโหยเพะเหนียวฉี่แตนีแพงแมยบัแพงจักเม็ดจักอันดลอกลวงล่ะบัแพงเออว่าแต่ให้สั่งคุณง่ำคว่ำดีแข็งกันมุดโต๊สีเห็ดได้บัอ่าเมย อันเลียงคุณงามค่อมดีพระบาีจื้อควอมได้เด้อขอยกบปฏิบัตดผาถากเจ้ามาจนปป่านนี้ก็บย่งสิบอเห็นยุติคุณงามค่อมดีของลูกของเต้าน้าแมโอ้ยกัเห็นอยู่ดอกเห็นแต่เห็ น, หนแต่เงี้ยมันขิดมันมันจังข่อยเหตุเอ า, เอ า, เอาขันมาจังแซ่เน่ยมันเห็ดบ่ถือต้องคล้องทำสติหันแต่ว่าถือต้องค้องทํำหรออันนี้แม่นี่ยอยากให้เห็ด น, นาเตี่ของลูกของลูกประพฤติป ฏ, ฏิบัติต่อพ่อต่อแม่เนี่ย เฮ็ดไถมันสามั่เสมอเฮ็ดไ้มันดีมันง่ามตลอดไป oh สันได้ลงน้า ใคอยเถียงเจ้าเด็ดตอกกยเถียงเจ้าเดคอยพ้อสามเสมอบางใดอยากเขี้ยวมากรก็ไปหามากคอนสนตัผู้คอนสานผู้อนสานตัวมาให้เขี้ยวหันเสียผานาแพลูกกะักกับภาพกับถือให้จนพอเงียพอแหงจนปนีก็ยัง่าบดีตีแบเจ้าบดีบางไดบดีบางไดขึ้นาจังไหนก็ความดีแบบใดนก่อเมีบาเป็นความดีแบบเพจังสี่ซันติเริ่มต้นไม่เลยลูกหลาเริ่มต้นไม่เริ่มต้นไม่อันทุเหตุทุทำยทเมอร์เนี่ เมื่อไดมึงเกิดอยากตือนเศร้ามึงก็ตือนเมื่อใดมึงเกิดอยากเตือนท่าม่วงหกม่วงมึงก็ตือนจังเสียอเมคนเด๋อขนขนขนพักการงูจักด้วยว่ามื่อเมื่อเชนเพราะที่ไปสร้างในปันันเดอันเมื่อไดกระจีบกับปุ้ยกมิ้ ลวกบ้านลูกเมื่อกเขากันยังเห็ดได้โตอีนี่กระไรมึงก็จีเห็ดก็ได้แม่ยูหันละ้าจังบ้าเน่เลี้งนี้บพานมาสั่นทอกไม่พานไม่พานให้เห็ดไหมให้เห็ดหมเห็ดไหมสิเห็ดจังไหนระบาดอย่างเจ้าทถต้องค้องทาถึกใจเจ้าของมาได้แม่เห็ดทุกมือเห็ดเป็นประจําแม่บนเน่มาปวดฉนอเนาะสั่งปดฉนอมาสั่งปวดฉนอบาดเนี่ยเห็ดป็นประจํา เฮ็ดปล่ประจับนี่อีกย ok, ่างหนึ่งแตคือเฮ็ดเียกเฮ็ดงานสันติเมีเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานออกไหออกนาเฮ็ดใหใสนาแข่งกันพุทธิเมนสกัแบงหน้าทียกันตี้ยุสีเฮ็ดหยังต่อไปบดนียบัดเนียที่สู่เขาได้ว่าหล่ะเมียงยังงอเก้อไอ้บาดเีีเมว่าไปเฮ็ดใหใสนาผูดหัวไม่ง่ายหัวถ่อแข่งกันปะนะอันคันูได้เฮ็ดดีเจ้าอย่างสีแบีงสิปันสันติเมียาจังสันละเนาะ ขันเห็ดบดีเด้บัดยางขันเห็ดบดีแมกกะ บ, บ่าไหาจักยางจักแนวอันลวไม่ได้ค่เห็นแม่กะ บ, บ้ า, าได้มาห น, นีจากเฮียนพ้อมบนเหลวโอ้หนักประนันเจี๊ยก็นักยังสีแหละนะ้องืออันนี้คือคําพี่าคสาเ ม, ม่ันเจ้าพิพาคสามนแะเจ้าื่อเจ้าจใสสมองเจ้าวดีดเดอจ้าจะลืมเด้บอบลืมเป็นเขาดเออันจะวจังสันสันแม่นสยากสีสาประเด็สักิตั้งอกตั้งใจเห็ดไอจิต อีเมว่าจังสันจะสีว่าจังไหเท่าตาปูเอาคันอีเมเพื่อนว่าจังสันไอ้กระบอขินอีเมแม่แต่ประการไดดอกแม่เพื่อนว่าจังไดไอ้กระบวน้าจังสันละผ้าโอ้เฮ็ดไดเฮ็ดไดสอย่างสุเนลอีเมให้เฮ็ดแนวไดก็ไดอืมอ่ะคันเจ้าว่าจังสันก็ก็ตกลงโอเคไม่เงี้สอนระบัดเนี่ยอ่ะเร็วเบิง้งเนี่ยหยั่งหยีอ่ะคันว่าตกลงโอเคมึงสิไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าหรือว่าอยู่บ้านอยู่เฮือน เอ า, แ บ, า, อาแบ่งหน้าที่กันสันตัวหน้าที่แรกก็ดูแลกอีเมยอยู่บัอยู่เพื่อนหน้าที่ที่สองกลับไปเห็ดให้เห็ดหน้าพุดไม่ง่ายอาขอนอยู่ให้ยูหน้าผลดัวให้น้องเลือกเอาให้น้องเลือกเอา้จิต คลอกไปให้เป็นน้นั่ะคอยกันลัางบำรุงผิวอยู่่อยไปแลอย่างถือกันเสียงหยาข้ออึอลตราไบโอดิกนีอย่างอุลตราไบโอเลตเสร็จแล้วแบบลุผิวจังไนผ้าให้กราษกดาษเนี่อกระดาษกเนีกระดาะาษเี่ยราดนี่ยกระดาษกานี่าษกระน่กาดเนียกระราเนียระาไวโอเน่ยดกเียดมษกะดากระดาดเียนี่ ให้ท่าถามเมื่อจักนิดจังน้อยเนใส่เขี้มจะไหนใส่เขี้มออจะไหนอันนั้นจะไม่มีเลี้ยงอันของสันยุทดอกไ่ได้ยากได้สาดอกไอจี อันเอาจังสีสายเอาจังไหนขันเบียกหนักนักกันะให้เจ้ากับพี่นางกับอันถัวสันดานลงให้ลงทงลงธาสะดอสันสีอยู่เนอยู่สานอยู่บันอยู่ซองสันเนึ่ากั้ำทมุนทางานให้ซอยเหลียอีเมีอยู่เหนอยู่สานเพื่อดอกเจ้ากนอ้าวอยู่ดีๆเจ้าสีอยู่บันอยู่เหื่อนดูแลอีเมอุปธรมอุปถาคอีเมยอยู่บันอยู่เหื่อนไอ่ไอนี่ไปลองไปให้ไปหน้าไปคุดไม่ายขอนกับผัวมึ่งวัตดีกับพี่นางเอา คันว่ายูบ้านดูแลอีแมลจังสีดูแลดีๆเด้อ ด, ด, ด, ด, ดูแลจังไหนเนี่ยเดี๋ยวเบิ้ง <c oughs> แต่ยิ้นข่าวได้บาง 2-3 อาทิตย์ก็ได้ <c oughs> ยิ้นขาวอย่างไอพี่อาอีแมล แ, แล้วอยากสื่อปูนเขียวมากเด้นว่งไปสื่อไม่เห็นยังปูวนแตนกออินซี่นั่น <c oughs> อันแล้วจมไปหาหมอไหลอาทิตย์เล้าตัวไปสือแม่เราเขี่ยวยังปวดตาโนกันที่เขาสาบบานได้ละอดสว่านแน่ลกหลาบอกมันแน่หลกหลาเอ้ยอ้เจี๊ยด้เจี๊สดอท้อหลายทอจังว่านี่มันคือมันสีแจ้งแม่นี่ได้หลกหลาถ้าจังหนึ่งนันแม่โคเร่โคเลยเบ่งมันว่าเมีนแกนคุ้นตัวนี่สนดอันเกลน้นเนี่มันมาสียหำยากฝันนี้แต่นี่มันเอาแกนขาผลได้ไหมแม่เชียวนั่นล อ้ามันปา น, นันติแม่เด้อเนาะแป้านันเนาะใตัวคำ่าทากนันอันอันอันไม่เงี้ยก็อนไม่คั้นเกียงไม่เก้าเขียวอ้า ว, ว่าเป็ดยังดอกขาดยังไมกก่เกี่ยวเลยเพื่นเนาะมันเป็ดังสีตัทีเป็ดยังไหนผ้าเอาข า, ข า, ข า, าก็ะเบียนไข่เนาะนก ปูนาสั่นาเอาอีเมสเับ่าอสังเกตบงให้ตาหมากแล้วจักเอาปูนขึ้นกันดวกูชิไปื่อเือั้นมีหอดปูนแดงปูนขาวเล็บปูนตาดันนกอินทรีก็ะไดนักกระบะเสือปูนแน่สั่นว่าเอาจักรโลสั่นขับว่าอกิิโลนึงกับว่าอกสยโท้ยมึงกระบะอาบนึงขับมันดีเนาะสลากกระไดเนวเขาขนเขี่ยได้ฉันก็ทได้เลย้ฉันประเจ็ว่าป่นเขี่ยมากไปจังไหนสับว่าเค่อเกี่ยมากแีม่กรไดบงนดีแน่บานนี้มึงกรไดจักบังยีดอกไอจี Mm-hmm. อันคันตกลงฝุงเกจังสี่แ้ว่ห้สันลงเยนลงซานไปก้อนเด้อมูสันถ่ายเพ้าไปสอ้าวกันสีพักันไปบังมาล้ำอที่ไปบังมาล้ำใสีเอ้ามาล้ำเผื่อมาล้ำเขาจ้างมาเผื่ออะรอย่างน้อัน้น่ะเ่ประเทศบุญหาพวกเน่ม่วนเ่อน่ะเอาตายแล้วที่ไปบังจ้งไหนเอกไปบงกันมันกากันตีกันน้อเห็น่สูมือนีไทยบันไทยเมี่ยงเพื่อขาเจ้าตีกันขากันนำหน้าหานมอล้ำหนก็ยันถกลุกหลงติดเดียวเนี่ยถือแล้วไหนเมี่ยสันคินเน ต้องไปคันอยากฟังล่ำเป็นอย่างจังบ อ, บอกแม่มึงนี่นี่นี่กูได้ไอแม่วาจ้าซี่บขงขวามาจังไหนก่อนฉันบาา่าเข้าใจอว่าจ้าซีเหรนอละว่าจังว่าว่าเจ้าเวงลำไดอ้อย่ามันมึงไตยกรอแม่ตอนนี้อย่า <ไ S 1> มันปร <ไ S 1> <อ>ะจักว่าแม่จากของเป็นมอล่ำตันนี้นี่กระด้ไอดเเกิดว่าท่านจะลองถามเราบางดูเป็นอย่างอ่ะก็เกิดว่าท่านเรากอไปเห็นล้ลำจากที่เเห็นแล่องสารพันธ์อย่างประมาณนั้นเจ้าเป็นมอล่ำอิริทีแม่เออแม่ก็เป็นมอลำแล้วน่าลูกเกย เอาสีฟั่งก่อนได้ละละเอาข้นมาหมอลร้มมาจีอันเหมาเล้งส่มาสิเปเบิงวีแล้วพ้งโล่สินั่งเอียกหัวแจ๊กนั่งเอีกกั่งสีมันเก่าบอลนี่อ้อันออผู้ใดล่ะผู้ใดหูจักติเนืครูปับไม่ใช่สวีวันดำเนินตัวนี้ง่ารู้จักตีน แม่ยังกีอีเมียเป็นนังเอกมอลัเอา้เราเป็นนั่งเอกมอลัมแตแต่สมัยตกีทุนเราคือดีเนาะทุนเราดีตัวเฮ้ยเมเป็นเบาหวานซีตอนนี้วนะบนทึกปืดจนเนาะจักบาเขาไรแล้ออกย่อนยังแล้วเขาไรแล้วออกย่อนยังไงอเื้อง้งนี่โอ้ยสู้กะไดบาบาปเมนนี่กะไดอ่แต่ว่าคนขอสั่นเสียงดีดได้ไอีจังว่านี่เล้วเอาใจเราย่องเราลำมึงดูเอาใจเราลยังไรได้ก่อ เอาคันล้ำเลี้วสุ่ยจะไปฟังรองฟังล่ำเลอครับ่ไปกรไดข้าขเจ้าลำให้ฟังเล้วก็ไดแมย์ขันมวนถังกระทิ่ทั้งเจ้าล้ำผู้ใดเอาจังซี่แม่เอาสวีวันเดเป็นอย่างสวีวันดำเนินนั่นสวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาตินั่นหมมเมว่าใดก่อนเราว่าอันใดไดแม่ก็ว่าได้เบิดเอาวด้วยกระดาเมย์แเบ่งติอุ้ยเป็นยงยดใส่คืนนอเมย อันนี้ลาหลานขอลาเด้อข่าชวีลาไปก่อนย่ำตะเวนห้อนหลอนสิไปยืนทีรีเอามือส่ใส่ผู้ใดชวีวันนั่งมาเสียใจตั้งแต่ตบ้านห้างบ้านอยู่คนที่ตำบนพ่อแม่เอยสั่งบวชนเวียนมาม า, มาอยู่นํากันผีอันสวีวันนองพ่อยักไก่หักผากหางแต่หลานหลอบไวยทางนากระดวนมาฝีหน้ า, นาพุ่นสิคงวัยมาหาขอให้สัตว์ท่าเห็ดกระแตงบุญนุนไว้ ลงไปฮาลาชวีวันกอนมูลานสิมาโอลองสละรองให้คาบเพียงเดี๋ยวนี้สัตว์ท่าแจ้งได้ทาบุญแจ ก, กวันเมื่อนิสัยมากพุ่นทั้งพี่สิกานี้บ่อยากพัดผักเวน้นเว้นนักจองจำไก่บ่อยากไก่ใสของเมเว้นนักพาเว้นจำเป็นเล้วเวลาหักมาเลยขอไล่พวกพี่น้องสิลาทานคูสุค น, นีคูสุคน น้อยเอ้ลานางสันตัวปวตึกอกถึกใจนดอแฟนสมัยเก่าแฟนรับไม่เยี่ยมสวีวานสมัยเก่าอีเม่ฟังได้ลูกหลาอันพวกสันกับฟังบ่คอยลูกไปในดอกแต่ว่ากมวนมวนบงสันเกิดบาท่านสวีว้นนั่นอันดเอีกลูกหลาเอาไอ้จี เมลาาวีล้วงสซบะเรนเขาสวนขวงดเด้เอากาวีล้งวอศีลลปินผู้ไทยนั่นแล้วจ้เยวเบิ่งเบิ่งชุดที่ไปเบิ่งหยังกะเบิ่งวิลพงวิลพงจ้าทนองกาลสินนั่นจ้านี่นี่นี่นแม่มึงนี่ อ๋แล้วว่าได้ย่ติไอจีอ๋อเจ้าวาเรบพิสูจนสกนเลยตีเมยอ้ยว่าได้เบิดลูกหลาเอ้ย่ารำอยเสียงตัวนี้เนาะนี่แหละนอลูกหลาคนอัศรียางหูจักติเมยมังนี่ไปจังสันดอกวเถียง่เบิเมย์อ๋อเอเวลาจะไปล่ำในการในงานสิเจ้าได้กินพงสุรดน้าเขาจะเทเป็นอย่างลูกหลาอันพงสุด์ันเมือ เป็นอย่างลกินยุ่ลหรกล่ะกินยุ่ยสิคือได้กินแต่อายุนมอโตโดนะน้องเจ้านั่นคือจะไปกินตาสดานํำขอนนภูไห่ไรเอาอลำวิ<ม>ลรพงเ<ป>บอร ก, ก็ลเดเม่แเเมวาวี่รพงติครับขันบ้านในขันล่ำเล้วไก่ย่าษไปเด้ออ้าครับว่าไปก็ไดครเมีลัดศาสนาสองพันหา วัดกะมีแต We to so uh, ่หลวงตาพ่อเปลี่ยนเจ้าได้เฝยยุงล่าหอยหญ้าคู่หญ้าสาพระนมนมแนนแนนทั้งเนนนอออ้อยบอคอยมี ละคขึต่อพระบวชไม่เด้อบได้จักนอจีมือกระสืกออกลาสินละเฝ้านำการนำงานย่านแตงเงินบ่อพอใสัซดตัวลูกหนาพระจะาหวังล่องติหละปลอยหลวงพออยู่วัดบานสั่นมามาท่าเตยโยมอวยเด่นนอ o o o o o o oh oh oh oh o o o oh oh oh o สันเสียเจ้าอยู่หนักสันกอดดาบขวาเจ้าเออขันเฝ้าย่างไก่เสียแมียลดลูกแยกจังวัดตะแมียตัวแมีตัวไหลอ่าโอ้เดิไปเดินลอยกับมองแล้วน่เนาะสันเจ้บาดเนี่ยเมียอันขั้นแมีเพิ่นไม่กินมาท่านจังสี่ขาคือได้ยินข่าวว่าเจ้าเป็นหัวนาสารพัดบ้านป้าพ่อจีเฮ้ยกระนี้แ่ละแมีเนี่ยแะลูกลาอันกันเกยดันกันเกยจันว่าเมียหรือดันว่าเจ้าเป็นสารพัดนั่นออันขั้นดันจังสั้นกัอันอันรองสารพัดหนำนุ่ยอว้พราน เมเจ้าภาพเต๋อเียยเนี่ยเอาเม่ทยะอันม่ยยให้ตัวตะกี้นั่นจืดใส่บ่อลูกล่ะเอาสิบ่พอจืดใอยู่ติเมีสารพักระดานเอบานนียงลูกเมกับลูกจะเป็นถือกันล้อมๆเนาะทางการให้ทานเป็นสะพานไปสวารควรให้ ทานทุกวันพระอุ้งทานบอกวิธีพระอุคงทานบอกวิธีกรรมจานความตาเมในให้มีในกรรมมนอนิโ้สงมีไรลนธ ร, รม ให้คนเป็นเทวดารมให้คนเป็นเทวดาจากแผ่นดินขึ้นสู่ฟ้าก็เพราะว่าการให้ทานสเสวยสุ ในวิมานขอให้ทานจงจะเริญพขอให้ทานจงจะเริญนสะาธุพ่อใหญ่เมยใหญ่พ่อหลวมบนกินท่านในเม น, นี เออจังได้ลูกหล่ะเออเมยวแมว่าแล้วลูกหล่ะเอาบันี้สุกับพักอันโยเฮียนได้บันี้เด้อยัตถะเปหากินเหล่าเม้าสุลายาฟินกินละก่อยซอยใส่ใส่บักเน้าได้ลูกหล่ามิธียะเจอได้บออันแมว่าแมบอกแต่กีแต่กรอนนั่นลูกหล่าเลี้ยงเหล่าเลี้ยงหยาน่ะน่ะเอาบอกอะไดล่ะแม่เขาว่าสียหามว่าให้ไปเรียนไปมวนไปกินเหล่านาฮานน้ำมูนน่ะน่ะโอ้คันว่าไปการไปงานจังเสี่กระยานถือเขาตีคันไปเม้าแล้วก็ได้อ อาแทะจำได้ยูดอกแม่เจ้าว่าตะกีกระไดเออว่าจ้าไหนหลวกละเจ้ า, ออจากระสั่งกระสอนว่าเราเหล่านี้กินดีจังแมียนมวลมมกินจอกหนึ่งพ่อจิกลีกินจอกสองพ่อแจกแลกกินจอกสาพ่อแปะค้อมกินจอกสี่กะหลวงพีหลวงน่องขันม่นกินจอกหา เห็นป่าว่าเป็นเมียพุนตเมกินจอกหกอยากจกปากพ่อเ่ากินจอกเจ็อยากแกมเป็ดแกมไก่เพื่อนว่ากินจอกแเนี่ยฟ่อนใสเดดบอมเนฝนตกลิ้นผุนโล้กินจอกเก้าเขายู่เล่าคิดอยากขายถังระบาดกสิขัยแตมมีผู้ซื้อกินจอกสิบนันวิทย์ผุนวิทพี่จอก11เ็ดจังหวัดตึงเรื่องตึงเรื่องตึงเรื่องตึงบมีผู้สุกกะลมตึงนอนหนิงยุ่งกังถนนผุนโตเมกบอมเนอนยู่งแต่ลางเหี้ยนติลูกลามันไม่ไหลบองไหลบอลเดากระไรเมร์ อันนั้นลูกเคยเจ้าต้งมึงเป็นยางจ้บไ้ผัวมึงนอนดีๆน่ผัวมึงเมานันไปเมามาตาสนันสร้างหัวตับหัวปอดถอะอืมมาไสคก็น้อนนันละเมียอยีขั้นว้าหขั้นปากพัวกระดานนลากกันหลวงกับพวกหจัดที่จัสั่มั่นมันนอนอยู่หันลราผัวหันหันละเอาขั้นดังสั้นขันชุจชืุดจำได้เบ้นแล้วแม่กสิเศร้าเป็นห่วงตุ๊ะบัดที่นี่เมื่อนางตุรนีได้บอกลูกสาว ลูกชายทั้งสองคนให้ทำคนงามความดีแข่งกันแล้วนางตโรณีก็ยังไม่ได้สบายใจนะักคิดตะหนักโย่ล่ำไปใครหนอะใครจะทำดียังไม่มีคนรู้ติดตามไปให้เห็นจริงก็มีนัการะข้างนั้นนี่นะถึงบทสมัม สองขามมุนสีหยุงย่งใหญ่ดูดสี่ตกแก่ผาไอง นังสีตกกันแก้ภัยละว่างนองเละอายบาดภัยหนาจังเบืองกันนี่เมียเออเอยองตัวหักคองฉันผู้เอ้ยลองรับหนาที่พิธยาเทศไปตามธรรมะที่เพีรท้องเพื่อนป้องปานละ เจ้าหัวหลานผู้เป็นอ้ายก้ามาให้ใจยังเต็มที่ว่าสิทำความดีแข้งน้องสาวให้ได้บาทเอาแท้สิซ้ำได้บางทีความคันคิดไว้อาจสิเปะในภายลลางเดี๋ยวนี้ยังบ่ท่า น, นเกมบพ่อเรื่องเราบร่ท่าน มวลละสวนผูกยางบาดยังญาส่วนผูกยางบัดยังญาหน้าไว้ดำดอกเก็บเกี่ยวผูกเขาเจ้าเขาเหนียวตามใจนอผู้สิสางกฎหมายอ่างเพื่อนบ่อมียนดมียทยากผู้พี่มีเมียพังที่สัตเย็น ลิ้นบอกเคยสอพ่อคันก็กำทำตาหวานเป็นหวานสมเป็นสมล่ะล้มบัวสาบอกเคยลวงวียการงานดอกทั้งปวงเกดไปตามนาที่บอกมีเว้นจะวางหวานหนึ่งน่ะเตะมือนั่นหดมือเี้ง่ะ ทำนาที่ยังแข็งขันขยันทำกิจาการดอกเวียกงานกว่วความวาม่าล ะ, ละทางผู้เขาคันเป็นนองสองพวเมียนาบอสุมทางภูเมียบาตกหลุมละ ฟังคำสาบคันซอเบ่า ก, กะเลยเขายางข้าวดาเนี้วผู้นึงคันเกง่งเบ่าผู้นึงเกง่งดอกกันเกล่ผู้หนึ่งเนี้ยงูพิษผู้นึงเนีน้ำหมูเลี้ยงขยันดุดนางม า, าเลยเอาไปฟอง นายเจ้าของว่าหมูสัวมีตั้งแต่เกียดขานมาเลยฟองแกเจ้านายละมีทียะผู้ไอตกลงไฟได้เป็นหมอง ผ้าว่าดีเป็นมาเฮาฮ้อนขยันซาอาม่ละคำนี้อุปมาให้แสนจวนจะให้ผู้สัตว์สื่อคือโบลันเพื่อนเก่าอ่างทาแลียงใดอกเอ้ยขายดะว่าทำดีได้ดีมีที่นา่าเองนะ คนทำชั่วกับใดดีมีถมไปดีอยู่ไหนชั่วอยู่นั่นคู่กันมาอ้างเมื่อใดคนทำสว่วงยังส่อพองขันยังที่ผู้ทำดีปะดแหงแย่ปันโดนเสฟาดลังเมียผู้เทียง คือตาสังกะเลยเกิดดอกเอ็นเอียงเห็นน้องสาวเป็นคนดีกว่าพี่ชายตั้งหลายทอาวซิสู่เขาได้หรือไม่ขอยฟังไปสีแต่งเต็มแต็มตามไลคันเบื้องแถววันแกลวฟันผัดเหล้าไม่ ท ำ, ทำความดีปด <ฏ S 2> ยากา <ปฏ S 2> หาย ทางสัวบันเสงคิ้วดิวทอดใดบอยอมหันแล่นบอทันคันคือนอออองท้องถือต่มดอกเปลือเปื่อนแป๋เอาสีบอคองเม้นทางในสีเป็นท้องแต่ว่าต่มแปดเปี่ยนนันเขียนแล้วอ่านบอเป็น ลงลายเส้นด้วยมือส า, อาเองเนเสียได้โอ้ยบาดผาดท่าเหลือใจเด็กขันมันดา่างโลดเสียข้ามดองว่ามันูกอวกางมา อองอีอ๋ออ๋อฮังอีอุ้งอ๋อยนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นาบตั้งแต่อีเม่ให้อิจิตกับผ้าวดีสร้างคุณงามค้อมดีแข่งกันก็เป็นเวลามาสามเดือนสี่เดือนเข้ามาหลลงๆย่อมแม่เดี๋ยวนี้นั่นเข้าน้ำสร้างปลากรขึ้นเล้าเรียบร้อยหลังะแต่ว่าคอยมั่งเงือกไหลไม่ใหญ่งอกเ อ, อ้ย เ, เงือไอจิตกับพี่นั่งมาขึ้นดูขึ้นมันกระดกก็เดียเทะเข้าขึ้นเล้าแล้วกับผ้าผ้าเห่าเศร้าเมย์เนยยายไอจิตก็ได้ อากาศโล่งไปเฮือ่เฟี่ยงขึ้นมาปลูกบักอื้บักแตงบักพริกบักผ้ายพ่อได้ส่งตลาดเส้าตลาดแล้งเพราะมีเงินจุนเกียร์ครอบคว้าพนามีไงห้าวละสิตายแล้วมือใดก็ได้หาแต่เข่าล้มไปทรงอยู่ตรงไหฮตรงหน้าซูมเงิโซเวนเว่ามากคอยสูนหลายคอยเครียดหลายคอยซั่งแลายคอยซั่งพี่นั่งอันเป็นอย่างตื่นกระตุนพร้อมกันกับลูกกับผัวนี่ะ ก่อนสิล่งทงล่งทาเอยี่างค่ะพระว่าหนึ่งเขา่าหนึ่งเข่าสุกแลก้วใส่กองหาบน้ำกลุ่กองกาอกองก้อยไปยู่ไปกินแ ล, ลว้วกันแล้วติเป็นยากเป็นซากระดกกดียซะเลียนหนังสือฟังๆได้ใหญ่เด้อ มดนี่สันติซออีเม่จากมือจากเว้นยืดดอกไปยังคอยบ้าหูจากเคจจากถ้ำเธอบูอจีจิกบัก้าให้กาดาเมียเฉลยบูยันเมียเกียดเมียข่มยันเมียนีจากเฉลยบูไอจีก็ไดมันหามาเปลนอย่างว่ามาเป็นแม่เฉดยผูบินจังบกาปากาใสลูกเมียยูันเมื่อนี่ตื่นเกิดมาเมือเศร้าแมีเออผัวสันก็คือกันละดูมันคือกันละมู้จากว่าไม่เงยงอกเลาไปใส่ผัวผู้ข่าหันผุนตติซีผุนโมทั้งบันนนสางผุนมอตัสไสมหาอเอมู้จากว่าผัวผู้ข่าทำการ งานอีอย่างว่าเมย์ไนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แผ่นไหโลสุดต่อพ่อปักเบียกกระไรเมย์ไนโอ้ยเมือ่อใดอาศัยว่าสเดกินเขากินปลาน้ำลูกน้าปัวพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่กับว่าพร้อมกันจากมือจากเวนเออตะมาเมือขึ้นนี่กักลับขึ้นมานอนกัตีตึงอยู่ดอกเมยไนแผดซ่งมาตาเวียงตะเวียนอยู่ดอกมาเข่าบอนนอนสเดนนอนกับขึ้นนอนบาร์ลับดาพิกไปพีกมาอันนั้นอันนี้จมมุ่มมมมมยมุยไม่ไม่ในคอในใจเจ้าของ ก็ขาดกะเลย ส, ส่งใสกะเลยมาอา้าวเจ้าเป็นอย่างไรพ่อเถ้าเจ้าคือบาลับบารอนเจ้าเป็นอย่างจะ า, าสัมบายจี้ส ก, ก็เลยถามแล้วถามผัวน่ะไม่ไงเล่าหักว่าพร ไ, ได้เป็นอย่างดักแม่เถ่าเอ้ยค่อยคิดน้าหนีน้าสินตัวอา้าวจะไปยืมหนี่ยืมสินเพื่อไหร่มาตัใส่เก๋กะเลยว่าจังสีอลไรไม่ไงเราหักว่าเล่าไปเลียนให้รถเล้วกับเสียงเงินเรายืมเงินหมู่เงิงนเวกสองห ม, ม, มื่นสามห่นผุแล้ววา่า ไอ้แบบในเฮตจังไหนล่ะเมทาเอ้ยอ้ยอขอ่อยละบอมหมันคือเกาวซันว่าสองมื่นสามมื่นเคลนหลังในเขาสิมาถามมาเงินสองหมื่สามหมื่นกอดเสี้ยเงินใส่ไปไส้หนีเข่าพนารวาสันกัลลาวาเท่าเอ้ย เจ้าปรต้องคึ้ยากเลยแล้วเงินข้ากรรมใส่หั่นเดี๋ยวนี้นันเวียกงานการสร้างเฮากรสู่ไอ้กับพิน่างบั่ยดอกพอเถ่าขอกะเรว่องสีเลยเป็นไงสูบบั่ยเดี๋ยวนี้ข่อยกระลังเข้าหาอีเมตัวอน้ำตาลต่ําเข้าไปอาน้ำอ้อยต่ําเข้าไปย่องท่านทันทีส่งมาทั้งเฮาอยู่ตลาดพอเถ่ากะเรว่าจังสี่ละเล่นลดผัวเล่นลดเล่นลดเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยขว้างขอสิย่องแล้วขายที่ขายทังให้จากเปล่งดอกเนี่ยเงินใส่หนีใสสินฉันจะรับให้เองเสนอ สัญญาณแล้วหนีหีจากสัญไม่ไงสู่มือหาลูกหาผัวมันหายากกว่าหาท้องปวดเด้อขอสิบอกหนเด้อตื่นเกิดมายมือเศร้าสตะอีเมกกระแตงหาตาเขาไ ว, ว้สตอบาดเนี่ยพาเอ้ยอมึงอ่ะเข่าไปส่งง่ายมึงกับพี่นางอยู่ตรงไหตรงน้าเด้อ่าสัญมาเฮย มูจากหาไปยู่ไปกินเองพราว่าสิไปส่งหัวตับหัวปอบมันปะนันผู้ขาสิไปส่งผัวอยู่บ้านนนสงังอาเออปร <c oughs> ะเ็นให้ลมเมื่อเส้าเราตื่นเกิดมาเห็นเราหยิบเงินไปสพันย่านเ <c oughs> <ส>พพอเล่ที่ไปตืมอีกจากหพันกอน <c oughs> ไปสักอนดอกปนย่านมันสวยย่านผัวท่าของถา่ายยู่่ากินขาวน้าซ้ำปาลากระไรบัดเน แองที่ไผมันฉันคุ้นคานีไผเป็นหมูไผเป็นมาผู้มสีหูกะเขา้ายน ผัมศิลาดเป็นเตือนนะผวมศิลาดเป็นเตียนกะหลังทางภูมมหม่ผูมมหม่ระส่งเมียนกะจุดเผาเนี่ยระวังสองลูกเต่า กำลังญาติบุญมั่งกันผู้สำคัญกำลังตายผู้เฮ็ดดีกํกำลังเยให้สิดุนเจอแสบพวมเห็นกับบันบอนเดี๋ยวนี้ลิ้นสอโองภาวาดีผู้น้องกำลังเข้าวาสุใจชห ย, ยลวดลังเลลูกไม่เอาใจเม่ให้ไหลลวง เพื่อประสงค์อยากของมู เตผู้เดียวเก่าวันน่ะไม่บอหยุ่งเฮิตให้ยุ่งบุ่งบ่เพียวมีทาเพื่อให้ทางมันดาเสียฟังคำทุกทุกด้านน่ะการสั่งบ่ห้วงยังเงยเอาแต่นั่งอยู่บ้านเอาใจเม่มันดาตนเวียกบ่สนงา มันเหตดไดแต่จะพาล้มว่างเนีามมันได้หิูวเข้ากายน้อผ้าออกมาป้อนป้อนมันดาเล้วกาย่องยามหอนกับผาดีิงเน่แต่มือนั่นโหดมือนี้ เมกะเสื้อจนตายใจแนี่ยแนวใดๆสิวมืดมอบมุนจนเป็นองค์ี่หลงคาล้มลูกสาวลาถาว่าดีหมดทุกสิ่งแต่ส่วนลึกของความจริงผููเป็นเม่เป็นบ่หูกะลยย่องกะโยก ไผเป็นไผไผเป็นออบเม่พอสาบกะกกใบใช้คำตัวกะคำยูแต่ย่างเดียวกะพอแล้วไนไผสิติกะตามแล้วให้มันดากะลงเสื้อทำนาเนื้อใจเสือเพื่อได้มู นะเพื่อได้มูนมาก้องไว้ข้าวนี่จังสีสังนะวมส่วนยัดใส่บังเอาขีขังกามาปีตตีสนิทกับมนดาว่าพี่ชายพ่อปานนน่าน้องนะให้สิร้องกับคอยผาว่าดีบ่คือ วันเอลซื้อว่ากันแข่งขันขันบอดได้ด้วยลีต้องหาเลี้ยงกาใสยกนเนี่ สมพ่อปนจะต้องปนได้ส่ายงก่าเป็นเราเบานินทาพีช่ชายเมฟังจนหมดเจียงนะเมืองสวรรค์อยู่ทั้งป้านะยอ ม, มสี่เลียงให้เป็นแหล่ทาสี่ขาวให้เป็นมุยเพื่อให้แม่นั้นเม่นกุยมีที่ยากกาผู้อายกัพ่อแล้วก่าเสื้นสูง เดี๋ยวนี้ห่างตั้งแต่บวงประสงค์ใสกามุนมังเนี่ยมืงสังนำยไดในกะสวนทางกาย้ำนั้นน่ เหมืองสวรรค์อยู่ทั้งฟ้าต้องหลงมาให้หองนั่งหอดบวดโรงเงี่งงด้วยประกาศฉานนี่อเพียง่ช้คอยบอกว่าดินนั้นและนั้นสาตว์ทั้ We can. ภูคาหาบกองเขามะบีดบานบีดซองพอดีประหอดบั่นล้นสงางประหอดพ่งให้โรคพอดีเป็ใหญ่ขั้นไปหอดลายาย่าเออย อ, อ, อ, อ, อ, อผัวภูคาการะดังคัตมาตเป็นเจ้ามือพร้อมเนยย่า มูอีกจากกีบคนเป็นโลมุนลงคงโยผู้ขาก็เลยบ้างกองข่าว้ข่างหันหลาผู้ขาก็เลยไปซองเมืองไปซองเมืองผัวเจ้าของเสด้จเมียเอาหมานมานา้ะผัวผู้ขา่าพอบอกเบียหมานมานาะสันนิาสิไปควักเอว่วเห้นแล้วมากินเขา่าแล้วเศ่้ามีแห่งสะกอนผู้ข่าว่าสิไปนั่งซันแทนเล่าสันเก <c ười> <c ười> ิดว่า ม, ม, มาผัดไปฮอดหล่ะเมีเอ้ยมาผิดตาผู้ขา่าคักเทบัดเนี่ย เจ้าไหนเจ้านังคาตมัดขาค่าแอวกันอยู่กับบรผพุสาวจะกมาตาใส่ในยินงาว่าเขาว่าอี่ันี้มันเป็นอันนมากจากอันผลตัวเขาสวนกวงผลตัวมังคายปิ่งใกล้ผนตัวทนมาว่าสันว่าเมีเอ้ยกินเหล้าเมาสุราพร้อมเ้บัดเนี่ยไปกัแพงเหล้าให้กันไปแต้กัตให่ให้กันสูบไปแกยอกันอีกอักอักันจั่นน่ะอ้าวเห็จ้าสิบันบัรถือต้องของทำต้นเนี่ยสันดอกว่าขย้อนขย้อนมันบเกิดฮอเขาอยู่ยนอยู่ซาน บ้านชุดซองนะ้าผั ว, อผวอออ ไ, ไ, ไอ้ผัวเอ้ยสันดก่าคอยกระสุนขึ้นนี่แหะไม่เงี้ยหนาแดงอึ้งอึ้งขึ้นแล้วผู้ขากได้ก็เลียงางขับไปด้วยที่บ้าอายคน้าอายผู้ใดตั้งสิทธ์มาต่อเมอันอันอันความเครียดความแคียขึ้นสมองหันเมร์่อยกรไปห้อยลักกนั่งั่วค้นขัไปเยยุดเอี้ยนี่อันนี้ผัวใหญ่เดน้องผัวใหญ่เดน่ะผัวใหญ่ผัวใหญ่เด เาเป็นอย่างล่ะนางเอ๋ยลาเออไ้เมือนม้าต่ใส่เหมืนอนบอใส่เยี่ยมเขียมตัวจากแกงางจกแนวเเป็นผู้หญิงผู้หญิงมาแมนหรือเปลี่นผู้หญิผู้หญิงมาแมนหรือสันนองมาสั่งกเห็ดจังสีแม่ไงเอออ้เบิงมันดมันแต่งตัวมาแม่ไงอ่นุ่งส่งขาสั่นีด้ไม่ตู่นุงเสียสายเดียวผมมันก็โกว่าสัจสัว่าสีใดตสีใดเนี่ปน่นั่งขาตะมาดกักันน่ะแล้วเบิงรู้ส่งขาสั่นสั่นขักสั่นเน่แม่ไงงอกเอย สันคักสั่นปดสั่นผูสั่นจนจำตูดจำก้นผุนี่ได้ไหม น, นงหมาหานะน่ะพวกข่าก็ได้แล้วพวกขากรซากหัวมันะแล้วอันนี้หัวกูเด้อมึงสิมาเห็ดจังสีไปได้เด้ยอเี้ยนี่ได้โรคกขึแล้วนีนีเดวนี้นนน มั น, นมึงก็ส่กลียด้ันไหนเฮ่หมานีแม็กก็่าว อ, าองจิตตัวมันเหมาเหล่าสนากกันดอนย้ายมาไนูกลางกลางขึ้นสแลบบาดเนี่ยข้ามเอนะียวซีน่าเขาตั้งเส้นะึ่คนาเผือ่อมึงหันมึงก็ไปเก็บเพราวะว่าอันนี้ผัวฉันนะมึงกอบ่าวจังสี่วสันว่าาให้สันเมเมียมือสันก็ไป็นสกปรกพวกกระลมทวนลงกลางเพนให้ลนละ่ะเมตุเมียเอ้ยลนลงกลางเพนะล้นะคนแตกวื้นนีไปจากว่าทำมาสูงกะล้ตือเบิดแมีเอยบาดเนี่ยเออวกขาก็ไปนั่งต๋งอึ มัน่ะแหลวซันซูนแล้กะตกไส้โตบขวาตบใส่ตบขวาโตบไปตบมากาลงสิมันมือเมยไงพัวผู้ขาดซากผมผู้ขางายตามลงทั้งหลังจังเสียมบมันเนี่ยสนกว่าพอเจอหลุดสม ก, กันแลนเพ่แหวนเ่แหวนลงทงลงท่าไปผุดอีนั่นก็ไหลผู้ขากระซูนนี่แหละไม่ไงเออตั้งสติได้กะบข้ามยาปัดเถอักผัวปักผัวปักผัวสนกว่า เงินทุกบาททุกสตางค์กระเมนเมียหตัวหามาสู่ิมาสั่งปวดสั่งโพสเถี่มึงสั่งมาเห็ดกูต่อหน้าปะซุ้มสนปะนี้แต่เฮือบปวดสนน์สั่กระลาโคตรลากเสียมาลงแผ่นอรมมุนอุ่ยปุ๋ยเหระเมีมือหันกระไรพอตะวันจะใส่เห็นจะเล่นมีตีนี่ตี้ลงทงลงทาไปสะวันที่ไปทวงไปทาไม่ใหญ่เอ้ยบหันโดดมันเนี่ยลากเงาไพตัวกูขาปูขามาฟาดบุบอนาทอกปูขาูขากะลมลมปาหงายอีกแล้วเมีย พ่เพื่อนตีกันกับพ่อบักเวียตีกันดูดูตีกับลูกกับผัวก็ได้ตีดูเท่าไรลูกกระลังหอกกลังออกเลี่ยงกับบ่บาดบ่ไหวเอ๊ะแปลกอยู่ดีเนาะไม่ไงหอกนะอันสุ่มใดอั่ผิดกันมือมามาน้ากันลูกบวก้ดดูดกได้เนาะ สุมในตีขากันเนี่ลังออกมาปัดอีปูโดโดลูกก็ะได้สั่งตับสั่งปอดมันถอดผัวกระได้มันสิตีสิขาก็ได้แต่วัน ง, งีม้มาค่ำมาคืนมันกลับเมียเฮียนเมียซานเปน้อนเป็นมัวสันสกปรกใจและสกปรกสิ <c oughs> ของดีอยู่น้าข่าวน้ำเมีกวนอ่ะกระห้องห่าน <c oughs> ห้อ ง, งลูกห้องกวากระได้ซักแม่มันถอดสนอกว่าก็เลย <c oughs> เก็บข้าวหน้ามซ้ำปลาใส่กาตาเรียบร้อยแล้วละไม่ใหญ่ กูเสียดจังไหนเนาะการเสียข่าลง่ไปทรงอ้ายกับพี่นั่งยึ่ทงไฮทงนาอืผัวกะตีกองข่าวอาหารการกินกระพังเบิดเหลวขั้นสี่ข่าวบ้านเข่าว่องไปหาอีเมอีมยกญาติอีเมียหูเสนาบว่าผั ว, วตียู่วงไฮโลบัตเนี่ยกูเสียดจังไหนเนาะสนกว่ากันดังคิดนดังงานอยู่เบิดหนึ่งก็ได้คีกกิดแต่สนกว่าไม่ใยังงอกพวกข่าว่าสิเข่าไปบ้านไปซองที่ไปซ่อยอีเมีวา่าอ้เมษยาไปคนตีคนน้นข่าวเสนาบัตรเนี่ยือ มาสมองดีจังแหละคั้นผัวตีกระไรเก็บตัวยอซานหน้ามาก่อนเข่าหน้าซ่าปไปแล้วก็เลยควักใส่พ่อเท้าพ่อเท้าแม่งอย่างสันขอบคุณค่ะผัวสุนัขที่ไม่เงี้ยเออฮ่ากองเข่ามะหอดตีนบ้านบัดเดี้ย อีเมย์สีอยู่เหี้ยนอยู่ซานมานาะเื้เราไปฟังเทปน้ำบัตรน้ำเมียงเขาผุดเนาะบัตเนี่ยเฮ็ดจังไหนเนาอีเมยผู้ขาจังสีเสียสีไห่เมยมันพาบ้านไปนี่ล่ะผู้่อ่สิว่าผู้ขาเปลี่ยนบ้าเป็นบอกระังตับซงปอดมันต่อยอดมุนมังสังขญะเนาะอีเมยเนาะพี่นองบ้านปลาพ่าเอ๊ะมาเปินไงค่าน่องเด้อมาเป็นไงค่าน่องเด้อ เมียเขาข่านังเขาข่านังเมีข่าเขาข่าสันมีมื่อไงเลยมันเสียงผูดในห้องมาตตาไก่เทบาทเนี่เมีเขาข่านังเขาข่านังนียเลียนมาผลมาขึ้นจังเอียนผ้าวดีเทนัวเนี่ยผ้าโอ้ยให้กนี้นำตาเนาเมีอเนม่งนผาเอ้ยพ้า ใครยาำหนย้ำอย่างมาฮันไอแม่นผู้ใดเหยีดอย่างมึงเยอะมันกอหวังก็หายเงีเนี่ยผ้าเอ้ยพาเมีเก่าขาสันแล้วแม่นลูกผู้ใดล้านผู้ใดไปขาไปตีมึงอยู่หานี่อีตู่อีตู่ดาอีตู่ดาออีตู่เบายุ่ยหันละมาจีหามึงไอ้มาจีตู่เ้ายู่นี่จังไหนด่นี่มันเป็นอยังคือจังว่าจังสันฮะนี่เมีเอยเมือน้าอีเมยบอกผ้าขาไปส่งง่ายกับพี่นั่งอยู่ตรงให้ตรงหน้าแม่นบ เมียแมาดีบอยากเฝ้าหางแมงเงากะมาเงีบ่อยากเฝ้าตเตหางียกะเงียมาเดเมงใส่เ้าูม่ฟังดูได้พูดไดันมันเงี้ส่ลาล เ, เอ๋ยแง่บังตาหลุดตาแลปื้ปื้อยู่นี่มีเอาแมีหลีตอลอะมันพูได้ตีพูได้่ามึงเ้าสู่แม่ฟังดีดีดูได้เนี่ยอออเศร้าหายลุกลาเศร้าหาย โว้ยกะจสาวจุดพู <คน S 1> ดีพ<ด>ูใ<ด>หน้นะเจ้ได้เิ็มาให้เจ้นเนี่ยลวงหล่าอ้มันพอพูงามได้ขันให้นานนะไอก็ได้เนาะกะเจี๋สาจุดปูดเลยเนาะก็คอยอวยลงอวยลงอยู่เดี๋ยวไข่ก็ได้เมียเมื่อเจ้านี้เมียบอกพ่ อ, อก่องกราเปาส่งางกบพีนั่งอยู่ตรงไห้ตรงหน้าผ้ากะหาาไปละเมีย ไปหอดเห็นแต่ไม่เงย ง, งอกนั่งอยู่กันเที่ยนหน้าหันก็เลยถามระ ว, ว่างเงายงอกเออเจ้าเห็นอายกับพี่นั่งมาเห็ดเบียกเกนงานบอสก็เลยถามลเรอมไม่เงย ง, งอกก็เลย ว, ว่าอยมันสิมาเห็ดจากไหนอีพา มันตัวมึงกับเมยตัอินี่พูดนั้นพ้ามูง้าพวกเปลี่ยนโบกเลี่นเห็นรถจักหวาให้ไต่หน้าผุนมาสั่นไม่เงยงอกเปล่าสุสั่นฟังหน่เมยผู้ไหนบอกเม่ติผ้าไปเลี่นให้โล่แล้วว่าไอจิตเมติยาไปเลี่นให้โลสั่นกัปปชยาแล้วไปลี่ดอกไม่เงยงอกส่ายแล้วปากเปลี่ยนถ้าบังวากูปากเปลี่ยนมึงกรน้ามึงไปเบิงโลดประสั่นว่าแล้วก็ซี่ไปยังสี่ละเมนั่งกระน้าห้อยสี่แล้วไปละเมยไปหอดพมบักขามไงหันเม่ อ้เมธิยาเล่นไ้โลอิลีซัมมะนําเป็นเจ้ามือพร้อมด้เมฆขางมันปนันติโลกนาเดี๋ยวนี้เม่ใหัยอันงอกบ้ได้เว่าเล่นแล้วว่าวอิลีได้บัดเนี่ยสันกับเป็นห่วงเนาะทั้งม้อมเหล่าม้อมหยาเนาะเมย์สกะห่วงไอ้อออเนาะเสียงเงินเสียคํา อ, อันนั้งก็เ ล, ลยเปรี้ยงกองเข่าไหวนั้งก็เลยเปรี้วักขางไอ้ทิศไอ้ทิศไอ้ทิศเม่นหยังสันว่าเสาตาเมเสาเมยเสาเมยเจ้าคือตัวน่องตัวนุงคักเถอ เจ้าคือว่าเจ้าสีมะเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเจะสมาเหร่นบวกเล่นเฮโลจังสี่เซาเซาน้ยวเฮาบมีน้ำสักุลเฮาบมีเซาเดี๋ยวนี้คไางมันเซาบ่บัดมันเซาบ่บัดเออบ้าเาแะแม่จะไหนจังลูกังจางขึ้นเสียงงินจ้ะจอนผ่าสหลงใส่นางแม่จะาไหนจังสี่มึงนีเด้ออีแพงโอ้มึงนีเด้ออีพลาเด้อมึงเป็นน้องเป็นนงกูเด้อมึงหนีเด้อวาสันมามึงจะมาห้องมาบ่มาจ่ายเรียงซวนตของไอ้ของพีมึงเด้อบาหนีกูซิคอนเส่หัวมึงได้พันนะมันมาป้านี้ ดาดาตาศนยตาไฮเทมยัยบันนี้น้องนุงไปบอก้ากับยน้องนี่ยนุ่งใหญ่เกลือกคนนี้ไม่เห็นเจ้าไหนต่อบันเนลูกนะฉันก็บวตือวท้ามันดอกกะไอ้กะดักเป็นไอ้กะซมมาพอผู้นึงเหรอนางก็เลยหักองเข่าล้มทงน้มาเสียเข่าไปส่งพี่นางพี่นางกับหงจากความยูดอกแม่ขาเล่ากับไปเรี่ยงว่าถาอันไออันทีจุหันละ แต่ว่าหักอยู่ทั้งเทียงหน้าผู้น้เมบัดเนี่ยมไม่ยิยงอกก็ไปน้ากันด้นั่งอยู่ทั้งเทียงหน้านะ่ะเขี่ยวมากันนะได้ยินสัญญางไปดิพี่นางประฮันสังเกตเห็นอันสัญน้เมสัญญางไปเห็นแต่พี่นางเกล็ดขีดไวจังสี่ละว่บไวจังไหลูกหนาไม่ยิยงอกเอ้ยขอ่อยสีเหลาผึ้นเม่ยาข่อยสู้เจา้าฟังจดเ จ, าจ้าเปล่าไปเปลามามด้วว่าสั่นว่าตัวพี่นางมึงตีบานเออไม่ยิงอกก็เขี่ยมมาก มอย่างไร่าเรื่องยังเรงสื่อว่าเรื่องยังว่ดเรื่องยังสนออันนับมากงนียหาดหยาดจะไม่มีงอกสอดหรืไม่อย่างไรไม่อย่างไ่าสุพังแ่ไม่อยงไรม่อย่งมันคือเ้าคือที่นี่กระด้างติมิเอะคอยเห็นคักเห็นแน่เสมอเลยเอาสักกูเห็นภาพเอนี่บัดนี้พี่นังกะเลยบ อันแม่ยาสันนับแตนตาพ่อปูตายได้ที่ปหาปีได้ตั้งเก้าตั้งหลังดิตั้งอย่างตั้งอย่างมาสันว่าเอาว่าเจ้าหนีะมาเศร้าสีแดงเงี้ยมาเล้งสีสิวว่าเจ้าหนี้มาเศร้าเฮือสินแก่หัวนั่นเงี้ยมาเลี้ยงเฮือสินแก่หัวนี่พะน้าเมียปาหัตัปฏิโตปฏิโตมันปลานั่นติเดี๋ยวนี้ยลูกไผ่โตดีนี่ก็ได้อันนี่สันก็เทราะว่าได้เกียดดอกเม แต่ว่าจังไหนจังไหนเฝ้าออกมาตีมปากตีมคำเดียมีค่ะเขาไม่างแต่ตีมหลอกล่ะเอ้าเฝ้าออกมาหน่อมะเมียวาเจ้าไปเปลี่ยนเมียหน่อยพญายศุขสันพนะวาเห็นไมมาบอกให้เ้าหวานกูข้นเทีนี่ยเอ้าคือวาจังสั้นมาสั้นจากแล้วตลาดของถมน่ยยุ่ล่เขาสวนกวางเเอ้ามาแสมาาพันลั่นตั้นลั่นตั้นไปนั่งกันมาาเจ้าก็มากับพญายศุขสรรพี่หลีติเมี บอกไปทัวรเทียนินคาไรลจะไม่ได้มากติเออกัว่าจังสันเนี่คัันม่บากสกัดดีอกดีใจจุดดอกประเด็เขาเนี่ยงครลือหานินท้าทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ขันว่าจังสันสกัดซูละเมสักเก้าพวดเทเดียวเพื่นเราขึ้นฮอดเถียงน้าเพื่อนเราบันียขึ้นไปฮอสกดสีนี่ปั้วปั้วีนกีเลี่นเจ้ามาสังหาเรียงหาลาสไสเมีากระดกกรเดียเม่ข่ได้นงาเจ้าเดี๋ยวเจ้ามาสังพดสังพมหาเรียงหาลาสไสเปลี่ยนก็ะดกก็เดียเถิดอกสันว่าไม่ต้ากินม่ต้องกินเขาสกัดบาง กูสิเมียบัตเนี่ยองปหาอีเมกกเีกูตะกะบางสี่เหลว่ย ม, มสักะหาบก้องเข้ามา ก, กระโดดลงเถียงนาเหรอเมียถื อ, อ ก, กระตามากการลังที่ถือแมีค้านกลังที่สอดใส่ ก, กระตาไอเมธยาเสียงเงินแถดบุเรนมีตีมีตีลงมาเห็นพราะบัตีถือเมีค้านมาพระบาัตรีเสียมีค้านไปตีเมียเจ้าของแถดบัวเมีมแลนขัมากระปั้นฟาดบุตรกลุมตาพักพัากล่มลงตางานนี่สและเมยเออ ปฏิทปั๊ปฏิทโตแม่โหเล้วบัด น, นีผู้<อ>ดใดดีผู้ใดสวมันมาสัวสน้ำมาก่อนปนิตรีลูกนาเออเออ่ย แ, แต่ไปนั้นพี่นังกับเบอมแพีได้บัดเนี่ยเลีนจากเถียงน้ลงจากเถียงน้มานั่งติ่งอกพระบาัตไว้วเอามือเอาผ่าขามา้ามาอูดปากพระบาดียิยันพระบัีเอื้นคนมาสยอยย่อ๊บ ตัดยองสิลยโอยตายแล้วลูกหล่าเอ้ยไม่ยิงงอกเกตินให้ไม่งงอกกันไม่ยิงงอกกับ้าซอยตีเนี่ยเอามันหลดเอามันหลดเอามันหลดพปนะไม่ยิงงอกกันไหนปัดตทบปัดตทปัดตทบปเปาเยอะดอกมือเอืนเศรอบไปจังหันพอกันน่ะสันบัญอมสนบัญญัไ้เมียสันเก็บสันปวดตักินตักายลายอเมสิจัดการจ้ไดออแม่ก็เ็กถ้าเมบ้านเด้อเมเด้อเรียตัวลูกหล่าแห้งเสหิเนี่ยผ้าวาดีเอ้ยเจ็บบองไดะลูกหล่า โอ้โหเจ็บบังเป่เปิดไถแม่บงด้ยลูกหล่ะอ้ทูแม่เอยบียมุลกสัญญ์แม่เอีเนลว้วย้ยกูสีมีลูกปะนะแบนี้มาตไมันมาเอียลูกแม่ค่ะลูกหล่เอ๋ยฮะเนี่ยเอาจังสีสภาพว่าดีเอยลูกหล่เศ้าไห้ซะ เศร้าหงลูกหล่าจังไหนเมียม่ยชิดดีแม่ยชิดออกแล้วจำคัมเมียเบาแมีว่าตะกียได้บ่ลูกหล่ะตาจังไหนเมีย่าอันตะกียแมีบอกนั่นน่ะลูกหล่ะเอยแม่บอกว่าขันผู้ใดดีผู้นั่นก็ไดผู้ใดดีแมีกป่งใจเวียนหมอบหอบสอกโหยบ่เหนียวฉีตนีเพงจาได้บ่ชื่อได้บ่เมีบอกตะเก็ได้ แต่ว่าภ้าพัติมาเบาเลียงไอจีกับปี น, น, นั่งสู่เจ้าฟักเมอนีมาเป็นภ้าบดีว่บจากได้ข้องมุ่นข้องมั่งผู้เดียวด้เมอันนี้ผ้าบัติแบคว่จริงสู่เจ้าผ้าเอมอเซี ย, <ส>ยโยลกลาเออีเดี๋ยวเบิงดูตาเมึ่งกาเล อ, อันทองมึงกะมีแต่ห้อยตีห้อยขอนห้อยไม่ขั้นสาต้นนี่เมีนป่ ล, ลูกลาอโอ้ยมาเรียตนแต่ผ้นี่เอาจังสีสล า, าเออทุก<ม>สิง <ขา S 1> ่งทุกอย่างเมอราบเม่หูคว่จริงมาแล้วป่ ะ, ะลกลาไปอำเภอเถาะไปยังเมอไปที่ดินนั่นแล้ว แม่ฉันคงชิไปไปเป๋เบาไหวดอกเขาเป็นยังก็จะไปเบาไหวหลกนฉันเก็บสันที้ต้นน้าห่อนมู้นาท้องสัจจุเจ้าไปผู้เดียวเด้อแม่เด้อไปผู้เดียวจ้าไหนยี่หลักก็ต้องได้เส้นมอบเส้นโอนพร้อมดีเอามาเส้นบ้านพี่ก็ได้ดอกน้ำัก้อนเ ป, ปบึงสก้อนเด้อแม่เดอ้อบัดนี้เจ้าจะอยู่ดด้แม่เอาาหมาเด้อแม่เด้อเอ้านน อาตจันใจอวบาักเตหสังแปียกตางบางนุ้ยเย้าบางน้วยกอมขันม้วนกอมดังดีสุดอาตจันข้าวปุ้นบ้านเฮาเฮ็ดได้เลียง เข้าวโลดถือเป็นของเ<อ>จี<อ>จ๊ยบวาขนมจินจ่อหอย อัศจรรย์ได no f, ้โน้ตคัมปอยห้าจินตาห้าจินไตะพวกพ่อออกแม่ออกบันป้าเ่าสั่งมาปอยได้เสียบเนี่ยห้า <Dave> จ <domains> ินเตะแนวดีดีห really ้าจินเขี่ยคือบ่อปอยให้มันหมอยเนี่ยกะใคร นอหอม áo ฉาดสงจันค้ำเก่าไว้ของหมู่ม้วนมาโนดแต่างผากันสมมวดขี่อ่อนงัวว่าเป็นพี่เฮียงจนในเลียเมื่อจำจำกินเลีนอร่อยแซมแทดดอกันเสียก้อยขัน จำขี้ออนอัวงอาสัจฉิวิตมวนขันม่อนไตเท้ายิ่เข้าไปเนา w ในฟ้ากะเปลี่ยนเปลี่ยนดักเดืแหงน้อยกะแวมาเปลี่ยนบีขันนี้มาเปลี่ยนม่อนไต จักไผเปลี่ยนเมียไผดักเดาบีและหมอนสะอ่อนโอเจ้าเปลี่ยนวนบักนิวแขนขันยูตุนเปลี่ยนบักนุนกับปิวลงยัดใส่ถุงเอื้นว่าหมอนขันทีนอนกับปานนร อาตจันใจมาเลียนซ้ำๆกะยังื่นว่าลูก้างบาทผู้สาวกะผู้บ่าวยางน้ำกันแทอะเถอสั่งมาอื่นวาเลียนน้ำ อินโนันเดนอือมันดะชาฮาฟัง สำเนาลูกสาวเก้าหัวเรียงแล้วตลอดสิ้นลูกชายตนาน้นเหตุบอดีงนะเอาขันเม็นปิ่นดอกจังเสียงบอดตอ่งแบงยังลืม ให้ลูกเขยกับลูกสาวถูกสิ่งอันสียไขบ้าหางบัดว่าทางมันอ่างเสีรทำดีดอกเว่นสัวตลอดเมียแลพววังทาดีขันรับใส่บัดเอาแท่ลดซ้ำย่างนะปวดว่าสัง มันให้สังบอตายให้แหงแกเดนอคำมันวากันต่อเมีว่าสิเหตดไหสวมยำแกงปลาให้เปลือกกลางอันแจง้างให้เปลือ บัดเอาดีลุดซำบางอยากเอินหามากินลิ้นของมัน ขันมูสาหาบ่อลงให้มันเลี้ยวสิให้มันเห็ดย่างเล้วเนี้ยคนเจีบบอกขวงแ ม, ม่นเอามูลให้มันของกะดำเท่คันเทกทิมคันลุงน้ำแ ม, ม่นนาทีมหัวเ ล, ล้วละคันบัดเนีย คนที่เฮ uh uh uh ็ดบ่อสมจังฉันพระมาหาสุลวัดภูป็นมันด่างขันซื้อตูหลุนีนาหารหารมาจาลูกสาวลาด้วยวาจานหวานอ่อนโอ้ยพระวัดีเออเฮอีแม่หนีหวง แนนอนว่าพี่ไสยเจ้าชีลายบ่สมวาคันอวดดีนัง เริ่มตั้งแต่มือเนียงเม่สิมอบมอระดงเป็นของโนูวพาวดีตุกสิ่งอนันคันสาหามส่วนผีใช้ของเจ้ากับเมียมันแม่เห็นเงียนสิให้มันออก จากเฮ <siempre àn S 2> ียนสมบาตอย่างสิบ่ห์ให้เพราะมันนั้นเฮ็ดบ่ดีนับตั้งแต่บัตรนี้ให้เจ้าทำนาทีเลี้ยงเมีอย่าว่างใจเอกงัวควายกระทืงเฮียนแม่ยให้อนางกระทืง ลาอ้อเอาให้จนคันเบิดเจียงไพ่มาเทียงแม่สมุดาโอยคันชีวิตกะยังแม่ขอฝากคันลูกไว้บัดตายแล้ยวให้เกี่วเผาคำเงินพอสมควรในพวกจะาหาแจาก เขาสงกูสลหา้ามนเรื่องเงินตาดอกสินทราแเบอิ่ทอดได้ย่าไปยาหารถือว่าท่านต่างเอาทิมเผาเพีต่างเอาท่านโอ้ทิศสาขัญหยาดนามพระลายุ ส, สิรงผลคำ แม่นี่หักขันยิงโลหอนขันลูกแม่เพียงคน ดีเหว่าเที่ยวกลนพ้นให้มันสูดใหญ่ยุเฉยคันเลยนี่เยงหาแลักอิงให้ต้นเจ้ามาซักหลังคันยังเพื่อนยาสิได้ลาเลืองเพี้ยนจังหันคันแลเ้าทวายเข้าให้พะสอนนังยิ้ม บัดนี้หลงไล่มวนทุกทุกซวนได้เอ้ออ่ย่ให้หนูพาวัดดีทุกสิ่งอันคันสาสาฮำนให้ทําความที่แม่เบ่อยจําเอาย่าใดลาย ท่านหากแม้นแม่ตายอย่างเะลืมญาตินามทาบุญสรางดอกสงหานั้นละนาลานาง เอาล่ะลูกล่ะเอ้ยถุกสิ่งถุกย่างแม่ได้มอบเวีนเช่นห้เบิดถุกสิ่งถุกย่างแล้วลูกล่ะแม่มขั้นเจ้าว่าไปอันอันอันกลมที่ดินแม่ฮะนะขันพ่อเสียเจ้าดอกว่าเจ้าเนี่ยมอบแบงมอบเว้นเช่นกันให้น้องลูกให้เต้าอีลีนะขันพ่อมีหลักฐานนะนะขันพ่อเสียเจ้าดอกแม่ เรียไปเรียมาจนเฮี้ยห่อยเฮียยำเอต้อเาเห็นตีนก็ะไดเฮ้อกระจกเขียนไปนอสาบว่าบันถืกต้องข้ามันแม่ไหลไหยแหนกกยังว่าต่อคิวกันว่าสันนี่ก็ะต่อคิวหันลาศกัจกเข็ยนฉดว่ามันเป็นซื้อจ้อมันสันนี่ไปสนุกอ่านดันนี้ทราบสินมรดกทั้งหลายเนี่ย เออ<ม><ม>เป็นตอนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของนางภาวดีรัตนมนเทียนชัยนี่อานเบิงนี่ลูกหลาซื่อสันติเม่ยเออเจ้ามาได้ตัวสันวมัจจิตตัวเดี๋ยนี่ลูกหลาเอ๋ยแม่เ อ, อ๋ยกันสันให้สัอนอันเบงไงเด้อเม่เด้ออัอนเบ ง, บงลูกหลาอ่านเบงอืมอนันเบงก็หนักแม่ครับบ่ถกบ่ต้องบ่คองบ่ควนต่สิเดไปเก็บเมียน บ, นบนม่ถึกต้องคล้องทำน้าเมียน้ว่าอันใดขวัดถึกบ่ถึกน้าเมียน้าจ้า อานบางเด็ดดอกอันเป็นจังไหมันมันเป็นยังสี่ติไปเนาะอ๋อ่ยก็ซังตัดซังปอดมันจะได้เหรเน้อเมีไม่ยังงอกเน้อเฮียนสันเน้อบรแฉกต้่มไกลเน้อย้ายเลย้อสันจีซื้อมาสุขียวไปเลยไปเลยปัดไปเลยใจมันมันขาดไม่หน่กะไรไอ้สันอนมันกระเ้อเมีเด้อเอออืเจ้าหน้าที่เนม่เขียนตัวนิดตัวน้อยซังตัดซังปอดมันเสียอินตากูแหงบดีเอาวแต่น้อยเอาเอาแต่น้อยเสียอินต่เน้อไม่ยังงอกเนาะโอ้สงเปลนเนาะ สัง่งเมยมันต่อเนี้ยมันมกักใบนอสอกอใบดีนะมีเรียนชาญบ้านช่องไล่งวงวปลายเขาบักจกคางมีดบานเสียมเพนะมีดบานเสียมเพกับมาไซนอสอสามอีเมกอรก็ใส่เบ็ดแหละนกเจ้าคือบ่ไปเรียกใครจีโก้ใครจีาายมพุ่นกันว่าใส่มกะสีว่า ก, กูหายเออครบมึงเอกละองแดงสี่ลูกองมังกรหลูก รถอีต๊อกอีกหนึ่งคันรถอีต๊กกับหางนังจีเมนอเมียนสันเจ้าพากสันเฮงนะเียนะอันนี้ไม่ยังอีกแล้วแบบนี้ไก่ตาตุ่มอีกสี่ตัวอ้าวไก่ตาตุ่มจะถึงไปเขียนลงนอกสอสามเด็ดอย่างเจ้าคือบัคขาตาดข้อปิ้งไปส่งหลวงพ่อจุวัดจุบ้าพูดเียเอาไงเมื่อกแต่เมึงเสขาเาะขาระเล้ยงอัเ่ไงย่างราหาเล้นั่นนะขาไปเล้งไกลแล้วปิ้งไปหาหลวงพ่อนึ่งว่าเราขีเดียดเพะเมีนเด้อขันปิดไปไม่ยังหอดไหมถ้าหลวงพ่อ ใบนอสอสามกอใบนี้นะเป็นของนางภาวดีรัตนมนเทียนไช่เตะเพียงผู้เดียวคนอื่นไม่เกี่ยวลงนามเตะโป๊ เอ้าแม่เจ้ากอแต่ปวจสั่นเจ้าก็มาเส้นซื้อเจ้าเขียนหนังสือบอออกเจ้าเขียนหนังสือบอกออตาอีกอย่างนึงตากูกับ่ดีด้กูบอกให้มึงไปเสื้อยูริมีโกไปกูกินมันก็บอไปซื้อเออสันที่ให้พ่ใหญ่มีคุณอมาต้อนจากอันดอเออการสร้างสื่อเนี่แม้เจ้ากระไรไม่ต่อน้าเพลินหลกเกอืมี่ลูกก็อยากให้ลูกซื้อเออสันที่ซื้อมาให้ดอกอีกอย่างก็แมยี่ห้อยยังก็ยูริมีโกลูกลาจินแล่าสายตาดีอันเพิ่นขายยู่ใสายเม่สันที่ กะซ่องรอยเก้านนีมั่งบ่ไปเปิดมั่งจีดำนั่นน่ะอาจารย์ดำซ่องรอยก้านึ่อันคุณมีคุณพลรอๆงางานเนี่ปิดเจ้าความจีเมียใช่กระสันทิเปาหอดมองผละพ้นผู้ดีพวกงานจันิปกีบอะรอกนั่นละเมียแม่ยังอีกอันมอบไผ่ซอยางซูเนียจังสี่หันมันปจังสี่เด้อเมเด้อเป็นย่างไหบัดเนี่ยขั้นเมมอบไผ่ล้วบ่ตองห่วงเลีวได้เด้อมเด้อห้าว่าดีสีตั้งไก่ปนีิบัตรมคิงจนตายเมียน เลีงหมาตัวนี้สปเลี่ยงหมาตัวไหนบไม่งงอเดียวเดียวเยวยเฝ้าเดียวเดียวยวเฝ้ามึงเฝ้าอย่างว่าหันนี่ไอย่างน้มึงเฝ้ายงว่าหันคืออได้งีนว่าหมูหมูหมาๆเลี้ยงหมาตัวไหนมึงว่าเอาคอยว่าติเอ้าเอา่แม่เจ้าหูวฟาดตีเมีจะมาว่าแม่หฟาดจังไหนเดี่ยวนี่เอาคอยว่าได้หจังสั้นมาได้ไหาจังไหนบาได้ไจังั้นไเลี่งแม่ผู้นี้สีเลี่ยงผมตุ่ด่านว่าจังสี่ตัวีสไม่เงยี่ลิว่างหันนี่ยว่าคอยหูหวกเรื แม่ ơi, เอ้ยเียนสานมันซองงัวควยไปเข่าให้นะ้า ป, ป่าทางกระเปลี่ยนของอีพาวดีบสุอย่างสุนแนวเลวบัดดีข้าได้เมธิยากับพี่นางกลับจากให้จากนามานั่นคอย่ห้อยู่เห็นอยู่สารน้ำเดิอง ให้เจ้าไรแล้วหนีลงเหีนลงซันมือีิเถอะเมียเถอเอาให้แมียไรติลูกไลเลยว่่ต้องให้ยูเมีขันยูไปมันสิมาคาดมาแก่ยเขาให้เจ้งไหนมันเป็นผู้สวรรย้อนซ้ายหันเอายังสั่นกระได้สั่นอัเบืองสั่นที่เปเข่าเป็นอันอันกินยาอยู่ในเหี้นเด้ออันเป็นเจ้าไหนกระจัดยาหรือเมียเด้อนี่ตั้งยุนากระจกนั่นละยาแก่ปวดยาพาราเมียไรหนีเมื่อดิเถอะมียเด้อจ้าเจ้าดิเถอแมีเด้อจ้าจะยันตะกูอะไรเนาะยี่นี่กระได ข่าวไปผลไวๆเยอะผลแค่นี้ปฏิณีมย่อนเก่าวถึงนายเมธยาอีเมรเ อ, อ้ยบอ่เห็นน้องสาวไปทรงเข่าอยู่ในบ้านไม่ไ่จากบ้านก็บอให้เห็นมาเห็นทรงเข่าอยู่ในหน้าไม่ไงเ อ, อ้ยถาแรี่ยวถาอีกจนว่าคําคอยตะวันการหลดลงมากไม่ไงว่าสิกขึ้นเมื่อบานไปถามอีเมรบ้าพ่อไปหอดเครื่องทั้งไม่ไ่เ อ, อ้ยจักเสียงยังต่อเสียงยังซากันออมบานออมเบื้องอีผ้าวดีมันตีกันกันกบผัวพนายไม่เ อ, อ้ยเหรียญให้โล ตีกันอยู่วงให้โล่เสด็จม่ใหญ่เมื่อนี่ก็เลยโอ้ยจักว่านองสีมลมีเตลเอลกระด ก, ก็เลยเก็บไปนาดใบเป่าว่าสิไปย่างนองนุงอยู่บัน่นเสด็จใหญ่เออมาหอบซอยข่อยได้เมย์เจ้าก็ไดเอาหอดบาดลราคือจะมิดมีซีซั่นกระดอกกระเดียดเถอเอือนไซแม่จักบาทก็ได้ใหญ่เอือนซอยข่อยนั่นมันยังเจ้าก็ไดแม่แม่ครับมันมาเล็วแม่ยังเอือแมเอือ เอาคือจังนั่นปากคากระดกกระเดียดแถมแมคือจังมิดแม่นไพล์ละแม่นไพล์ละแม่นไพล์ะเอากรเมธียาดีเด้อันกระเมธียาลูกไส่เจ้าน่ะได้จะจำบ่ได้ติแม่เมธิยาครับเมธียะลูกไส่เจ้ามึงมาละตีมึงมาละตีเอากรมาแล้วล่ะแม่มาเร็วกรมาแล้วล่ะแม่ให้ผมถามเนี่ให้ผมถามได้แม่ เป็นอยังอีผ้าบอดีไม่เคยจำบ่ไปทรงเข่าทรงน้าผมเได้แม่เอ้ยผมทากินเข่ากินน้ํานี่จนมาเหือแหงบอมีแล้วอีกอย่างห น, นึ่งเนี่ยผมกําลังทองกับลังใส่กับรังสิมีลูกนัน่นเขาบอ่มมีเหือมีแห้งเสดิแม่ยืดสาอีผ้าน่ะเคยจำบ่ไปทรงเข่าทรงน้ำเสดิแม่อย่าเฝ้าเฝ้าแนวอื่นอันไดครับให้กูถามมึงแหนมี่ทีอันถามยังแม่อันซูเมอร์ว่นเี๋มึงเห็ุงานเหตดเวียกนี่ยังให้ถาม เ, เอู้ก็เหตุเวียกให้เวียก ห, หน้านั่นเดะเห็ุให้เน่เหตุหน้ า, นาน เ, เ, เน่เหตุสวนเนี่ยนั่ มสะอนดพาเนี่ยเอาจะไ้จังว่าจังสันแม่คนอัตตาหน้ารัดเพราะไงไม่ไงเพื่อนนางโยนี่เขาว่ามึงไปเห่นให้โลเด้อเอาอันพูดเว่าผมไปเห่นให้โลขันว่าผมผ่านกางบานมาหันบแมนผัวอีาวดีตีเห่นให้โลน่แม่เขาบอกว่าาว่าดอกเขาว่ามึงไปเ่นให้โลอีเจาเนี่ยเขาว่ามึงตีมึงขายอีผาบดีแมนบ๊เอา เจ้าไปฟั่งแม่แต่ใส่เมีเจ้าเสือค่ำผู้ไหลผู้ได้ตีได้ค่ะอีภาพวดีผมบดีตีได้ค่ะน่องนุ่งจักเถื่อนด้เมียมันเรีนผาบ้านมานี่ตอวเรนห้องให้มาจังหนึ่งอีภาพวดีมันเป็นน่องเป็นนุงผมพบสิเอาชิตเอาใจจะได้ไปตีน่องตีนุงเด็ดดีเมีเจ้าก็ได้เบ้เจ้าจไหนกูกับบาเสียบังเด้อันผมมาวางหันเจ้าคือจำบ่ถามผมจักนิดจักหน่อยเนีผมมาวางหันเมียยังอกเพื่อนมาอีภาพวดีมันไปตีกันกับผัวอยู่ว่องให้รัวผุตัวเมี มวลมีตีแหลกจะได้ผมถือใบนาดใบเป่ามันไซเก็บสซถุงเมมึงอกยังก็าเอากลูกสาวเจ้ากับลูกเคยจะมันไปตีกันย่กลางบ้านผต้องมันไปเล่นให้โลดอ่ะนะไปตีกันกตีกันย่กลางบ้านก็ัีผัวมันตีน่ะลเมยนี่แล้ว่เห็นตีผมเก็บใบนาดใบเป่าว่าสีม้ยางนองนุ่งนี่เด้ยามันบ่อซ้บ่าอยู่ส่ะเอิมันมาเบิงกระหน่มมันก็ดมีเหตุผลน้ำโยเดละเนาะมึงอมนเจ้าก็เบิงไปยังใบนาดใบเป่าผมก็เสียไม้ยางนองนุ่งนี่เด้เป็นจังไรเมียฮจ แม่อย่งละเมีมานีมานีเมือนมานีเด็ดขาดมาหนีเลยเอ้นนส่แขนเห็นอย่างละเมีอันเข้ามาต้องไปตีขาดกับผัวติมันหันหนิโอ้ยเมียมันว่ามันเมนคือควมเข้ามาอีหลีบอโอ้ยมันกระเบนคว้มเข่าละเม้ยเอ้ยอีผีบ้าเออกูบ้านายมึงเถอะเนาะฉันว่าผีปลกเมียงใส่ปลกเมียงใส มันเามาแจงสันว่าพิดจ้งไนป่าแจ้งใสแจ้งไดอีกบานนี้นี่ทุกกทุกปทุกอ้ตายตายตายตายอันเราจงพิแ่แล้วมึงรอกูเอามเอามังไหนมึงตาสันโอ้ยไม่ได้รอได้ยังดอกเมอันสันกับลูกกับผัวสันสิเปตีไปคากันจังไหนลูกเกยเจ้าน้าซ้ำผาพับไม่ผลตัว พูดตีพูดขาลูกก็คือไอเมที่ยาเนี่ยละห่มตีสันยุตงไฮตรงน้ำนะไอเมียโอ้ยตายเลยไม่ใหญ่เอยบัคอเซียพูดไดนหันนี่อเนี่กระมีบาดมีแผมันกับเป็นตาเซียไอเนี่ก็หอบใบหนาดม้ามันกับเป็นตเซียได้บาดเนี่ว่าางห่วงนองโอ้ยมันไอนาดม้าพอีเฮดไสันเจ้านเม่อันมาเป็นว่านเจ้าเโเซียเดก็เลยอหอบใบนดม้าปิดเจสันตีลูกนตัวเฮดไซตไนมีเฮดจ้นโต เอามันมากลยเสียมึงแหละเสียมึงแล้วอีภาพบาดีเอ้ยมึงเจ้าห้องเจ้งไห่จ้าซีเนี่เจ้าไงซีมาเสีีมานี่ยัตวก็เป็นมึงห้องมึงไห่จักเทียมึงห้องมึงไห่แสดงวาแมนอีหลีเอามันมากเหรตีอีภาพเนี่ยนั่นได้มันไห้ย้อนเนมึงเรื่งบานั่นเอาผ้าพาไอบัว้ยเห็ดเดืดำเจาะขึ้นยังไปว่าไปทัวไปทีบเท้ใส่ลายไอ้ใส่ลายพีค่ะกระดกกระเดียทไอ้บัวลเห็ดไอ้บตีน่ะนะไอ้ตอดคอยสิไปใส่ลายป้ายสี่เจ้าจังไหนเจ้ากระตีกขาสันอีหลีฮันดว จไหจ้งมาซออีเมน่ะนะว่าพวกประเวณผู้ตีผู้ข่าจไหนเจ้ามันคือใจร้ายใจดำเจ้ามันคือหาเลี่ยงหาแล้วเส้นนองเส้นุ่งกระดกกเดียตีไอเอาพาอันมึงสั่งปากสั่งเบากระดอกกระเดียตีไอพูดทั้งเถื่อทั้งคนนี่ไายบไดตีได้ค่ะจ้ไหมึงจังใจจืดใจดามาใส่ลายไปคว่ำายกระดอกกระเดียสิเอาใส่มัดจมูอได้ไหมนี่กระดอกกระเดียเรารแต้ี่เด้าตีร้มันบ ปานที่โุปานที่ต้อหน้าต้อตากันสุกกะกาเฮ็ดติสุกเห็นกูเป็นหัวรักหัวต่อติดสุกจ้าข่าข่วมขาตเจ้าสี่เจ้าเบิ่งดุขนาดต้อหน้าด้วมยัดดั่งมันจีซัมดีัดดั่ได้เม่ดีมึงมาั่งเรามึงมั่งเรามึงหนีไปเลยไปมึงเมทียามึงมาเป็นลูกไส้ของกูไปเลยไปเดียวนี้ไปเดียวนี่เขาหอบของผ้าลูกผาเมียมึงไปยมังเอิญเลยไปจังได้จังว่าผมบ่กเป็นลูกไส้ของเจ้าก็ออกมาจากท้องของเจ้านี่ตัวเม เจ้านะตัวเป็นแม่ผู้เดียวของผมก็ะไรมึงเศร้าเปล่าเดี๋ยวนี้เด้อสิว่าออกจากท้องเม่ยกูกตามขันมันซัวขันบดีบ้าแมนลูกอตูรนี่เด็กค่ะไปเดีนีลูกกูบีผู้เดียวคื่ออีผาบาดีตอนนั้นเจ้าเสือเขายังกระดกมากไกลแม่ลูกน่ันมาให้แล้วป่าทางเขาด้ทำซ้ป่าจากสิผมก็เห็ดมาสู่อยู่สู่กินเมีมึงมาต้องมาเดี๋ยวอีผาเดี๋ยวมันอยู่บ้านอยู่ขันสื่อๆนี่เม่มันซวเจ้าเสอมือดเสือดิ่มงเลียงมึงมากขันกูจ้งกับมึงสีซัวป่านนี้ตีน้องข่าน กูว่มึงยซากูหัวมึง ม, งมกขี่เท่าไตแต่แต่ตตมึงเกิดจะาพุ่นแล้วเอาแม้ขั น, นลูกเ<อ>ต่า<ล>จังสี ม, นนมีอยู่เพียงสองผูสองคนเท่านี้เด็แม่เจ้า บ, บ่หักลูกแถวสิไปหักพูดอะไร่วกูกับบ่หักมตรขอนกูสิพ่อนี่เลยแม่ไร่ไม่ไ่มนีไ่ไม่ น, <ไป S 2> ม น, นีรถเนนรจ้า บ, บ่าสงสารผมที่แม่ลูกมีอยู่ทั้งเถื่อทั้งคนกระไ้ เจ้าลุ่นโจนเจ้าสงสารเจ้าอดสะั่งข้ามผมในเป็นอยังผมก็ได้ตัวได้หลอกได้ตมเจ้าแม่อีกอย่างหนึ่งเนี่อีกประการหนึ่งเด้อให้จี้ไว้จำไว้เด้อเจือยังแม่ให้ชจี้ไว้จำไว้เดียวนี้นันเฮี้ยนสั้นบานสองเฮี้ยนเมึงนังยุนีกับหน้าเมืองหันไปเห็ดยุนันเดียวหนิกูมอบเวียนเขียนให้อีผาวดีเบิดถูกสิ่งถูกอย่างเหลือเจ้าหมอบเวีนเขียนให้เขาถูกสิ่งถูกอย่างเหลือทีแม่ทรัพย์สินมรดกเงื่อนท่องของเขาให้หน้าปราทางเฮื้ยนหลังนี้ได้แม่เจ้าสียให้ผมจี ห้เบิดแล้วไฮอีพาวาดีเบิดเลวยูใส่บอดีทรั์สมบัติของผมนันแม่ไม่มีส่วนน้ำหนักมันบาไปเอาคือจังว่าบอมมี่จังสันผมนี่ก็เป็นลูกเป็นเต่าเจ้าผู้นึงคือกันได้แมสเจ่าสีไปแบงในผู้เดียวว่าดียด้ส่วนปนิมันก็บพ่อหมสมที่สิเป็นลูกเต่ากูดก็เลยไปไปไปเลยไปเลยไปไซสแมสเสียให้ผมไปไสกลับไปไซส์กระซไ้เลไปไซสกระซาเลยหน้าก็บาต้องกลับไปอีกไปเอื่นเนี่ยมึงมาเลยไปขนของขนศาสตร์ขนนยังไปของมึงนั่น เอาไปเลยเอาไปเบ็ดทุกอย่างเลยอ้าวเจ้าชิดดีเลยติแม่เจ้าสิไลผมหนีออกจากบ้านคันว่าสิไลผมหนีออกจากบ้านจากสีเงินผมกร บ, บอมีเม่เอ้ยทราบเสินงมาระดกผมไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็บะไรเงินได้แต่เข่าแต่นํามซามป่าสู่เจ้ายู่เจ้ากิ่นบ่มือบ่มวันนี่ละแม่คันสิไลผมหนีอิริกระเบีงไห้ผมจะเคืองหนึ่งเนี่ยไปยังแม่เงินท่องของเขากระบอมีเด้พุน่นน้ำเจ้าคองเฮียนผลมันเป็นเจ้าบาา้านผลพระวันดีมาซำอ่อยก็ะดกอะไรแฉ่ตีเข่าแล้วหัน <ฮ>สี่แบงยังหายอายจากอย่างจากเนียวบอสสีแบงหายอายกันสีไลอายหนีกะแบงมุ่นมั่งมรดกให้หน้าจากสีก่กะแบงให้ยอายไปอยู่นอผ้าเน า, าะนาไอเมธียาตั้งแต่อีเมสั่งอีเมสอนว่าให้สร้างคนงามควมดีแข่งกันผู้่ดอะเฮ็ดดีเพิ่งกับสีมอบสีแบงสีปันให้เพื่ออะไรเฮ็ดปรดีแล้วกับว่าสีไลล้ลงเนี้ยล้งซ่าน กะตาขาดศาตร์เห็นเพื้นเดียวแล้วก็บระหัเจ้าเคยได้ยินบ่เจ้าจำได้บ่เจ้าจืดได้บ่ไอ้เบีที่ยาจำได้จืดได้สุยางสุนันรนั่นแหละพระันจำได้จืดได้กระเชิญนี่โลงเหียนลงซานไปเลยเพราะว่าเหียนหลังนี่เหียนซานมันซองงัวควอยไปเขามันเป็นของอิภาวดีเบิร์ตสุยางสุแนวแล้วแต่บ่มีสิทธิ์อีหยังทั้งสิ้นสิมามยูนี่ แม่เจ้าขออีเมรอีเมรกับว่ามีสิ่งให้เจ้าอยู่เพราะว่าฉันเป็นเจ้าของเฮียนเจ้าอเบ้างถูกอถูกต้องใครเลยไปใบเน้อในหลกหลาอ่านใบมันเบ่งในอ่านใบมันเบ่งใันาเสีย้เอามาดอกเมร์กต้องเอาใบมาดอกไหนีขันว่าพีกันน้องกันซัมนีมันกระเบิงกันบริตีย่าตกถูกใดอยากกระไดพ้าซิไล่กันนี้ได้ล่องคล้อปัญจขึ้นใจเจี๊ยดกินเจ้าผู้ใดกนน้องเจ้า คอยตัดเจ้าเจ้าตีคอยยุตเสียงน้าเผ่อไอ้ทิศเด้อเจ้าตีเจ้าข่าคอยเด้อเดี๋ยวนี้ฉันเรามีไอ้นีที่สัวๆซำๆกันยาวจนสิสิไปทางในกันตายเชิเนยตบเนี่ยขาเาปเปลนแปงนซลลกรรมเออเออออสามยี ได้ทราบความจริงว่าเมียฮักตั้งเตี้นองบ่มองหน้าเบิ้องตอนนะบอกคือตั้งดอกเตี้ยต้นละบอกคือตั้งดอกเตี้ยต้นละเอาเมียใหม่มานอน เพอนละเพียนจนหมดกำลางเลี้ยงกันเพียงหาออกจนเสียนละคำพินเิ้นบอกเคยเปล่าคำโตเทียงเตเอย หากคุณแม่ของเจ้าของละเสมือนพูมิคันเทพสีย้อนา อย่างนันไปในต่างประเทยบ้างคว่ำนะนะคว่ำบอดีอาจใส่ปากละเอาคีข้างมาปิดตาให้โตเป็นชายพอไม่ตีน uh ขันปากลมบอกคืออึลวง กิทั้งปวงกระทนส่วนหนักหรือเบาเอาทุกอย่างอืัน่าเบียกขานงานสั่งคือจะเหตุให้สอยางสูอันยูเมเจ้าสสไล่ลูกเต่าหนีอิลีอิตเมอแมนมึงบเมนมึงบออยู่กับมันกับมีผู้เหตุเดล่าเทาเอ่ยมันมันเหตุบ่าบูว่ามันตัวติบุน เอาเมี้เพื่อนักมือต่างเสื้อแต่ทางคันไฟนองจึงมองเศร้าเกาใจด่าโมระูกเพื่อนบ่หายเม่ยสิ้นดึงพอเคยขอมันพอใจดอกไปเมืดเพราะว่าทำคันดีเล่แหว่าวางซี ติดดอกขวานเหวเจอมันแกวที่หัวเน่าเปื่นบ่อยกับบออาอาอาวะตีนเมือมีกันอยู่แล้วคงหาได้ดอกบอตายดึงดมียนสีทุกขันยากท่าเอง พเจ็บป่วยกบพอไคอ่เนอคอยอยู่ไปดอกกินไปห่างคอยหาสิพอหม อ, อ, อ, อ, อ, อมล่ะ ผีบอ่อสูมเตะคนย่องกับพ่อใจบอ่ออ่อนเฮงอดสรธรมงั้นเสียงแข้งน้องสาวแล้วแพ้ถือเป็นอย่างแฮงกีฬาเดออุปประม า, ารแข้งมาห่าง เขาชนะบ่อไงเงามือนี้เป็นที่เขากลับร้องว่าลเอาแพ้บอเสียยังคันพ่อเลีง เงินแปดเดียวบอกคือเอ้ยต่อว่าแพรแล้วสู้โนก็ยอมรับกันว่าแพรพอเก่งเพือนขาดหมายอีเมีเอิงดาจากนั้นมีทียาพาเมียยาเองอีเมีบอกให้อยู่ก็สีใหญ่ไปยุ่มืออื่นดอกไง บอสงสารไปตีโมเจ้ากระไดขารุดขา่ากบทนามีนายายบาเดนิกกรไดจะไปให้มันได้มไงน่ะมันคนบารับบดีนะเจ้าไปให้มันเห็ดอย่างนั่นเจ้าีไปน้ำกันตินน่ด้ไปูายีได้ดามิยาปาเมียยาองละ ออกไปอยู่ตามลำพังเตียงเ็กตัวเดียวน่ม่หายนูเดี่ยวไหล้พอเงตัวเล็กตัวเดียวมั้อีกไปตองมามุงฝาปีตแอมล่ะแถมเนี้ยปูดอกหับพองเอ้นมุงตองฝากไม่ไพเม้นสิทุกข์ก็สุขใจเพราะว่า เมียบอยากยุ่งดอกความเมากะข้องกันนียมืเอฮือฮือฮือฮือือฮือฮือฮือดือืออฮีอฮือฮือฮือกือฮือวือฮยอฮือฮือฮือฮือฮือฮือดเอฮือฮือฮือนืัฮือฮืออลื เพียนกระดานปูเพียนเบิงเสาเฮือนป่านไม่เสียนขอบความเพียนและขยันเล่งเราจึงทำให้ใหพวงจะเลือน มีแต่คนกันได้เอินด่าว่าตอกันอ่อเออบอกคือยามเขาทุกันบัวคนยันเยอะเออเอเองล่ะคำพังเผยเพื่อนจ่าวาวะโบราณเขาพอดทึกนี้ทุกเพื่อนบักันว่าดีเองล่ะ มีเพื่อนจังว่ากันพี่น้องกันแนวนั้นผดแมนลายอีเมียเอือดแมนสีนุงผ้าฝายเพื่อนก้าวคันแพรามาอเองบาดบาดย้ำเฮาทุกก้าวเปลี่ยนแพรไอา้าอ จวบบัญญายคติคอคออยู่นั่งถ้าบัญไม่ดูกสิ่ขวางขอผ่าเองคอยผาฟังอีกคราอังเมื่อฟังแล้วให้ไต่ต้องนั่นดอกนางศาส Ah, ah, ah, ah, ah, a n ah, ah, ah, a ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, a a a ah, ah, ah, a อัันนน้แวะอรย่อมพอย่อมแม่ตกมาถึงบแมดดีศิกาถึงภาวดีเจนึงนับแต่ตีอีเมร์ลายอาทิตย์เมธิญานี่ลงเฮนลงสั้นกะซีฝาหาปีเขามาละละปีหนึ่งปีสองสัญุกับอีเมร์สัญกับมี่ความสุขยอดอกย้ายแต่ว่าปีสามปีสี่แมดดีเมร์ มีอันหนึ่งขวังข้อคอยลังงานลังงานอยู่หู้จักบละไม่ห ง, งอกว่าอีอย่างขวงข้อผู้ขา่ากะอีเม่กินกะโจมบ่กินกะโจมเส็บกะโจมบ่เส็บกะโจ ม, น, จ ม, น, จ ม, จมนับตั้งแต่ภาวดีกับสามีได้รับทรัพย์บรดกก็เป็นเวลาหลายขวบปีทุกวันนี้ไม่เหมือนก่อนคอยขอดค้อนแต่มันดาไม่พอด่าก็ต้องดา่าคนชารานเรื่องยาก ช่างลำบากยิ่งกระไรเอกธิวสังครั้อยู่มาหน ว, วันหนึ่งภาวดีจะเองื่อไวรกีีกับแม่ของตนว่าแม่แม่เอ้ยแม่แม่นั่งอยู่ผีหลกหลาเปนอย่างก็จังหงแฮ้งเทิเดียวเนี่ย อื่นใส่มาคืออืยากอืซ่ากระดกก็เดียมันสร้างเวียกสงงานอี๋ยังมคืออนยากกระดกรกระเดียทฉลามแม่ค่ะคือจังส่งเบากัดเชีวยวแต่มังผิดกันกับผัวตีเดียวผนะิดเ่าผิดกอยู่ได้จิตแนใจของเรเป็นอย่างเห็ดอี๋ยังเขียวตามาก ต, าากตา่พูนันตีเบิดมือเบดิดเว้นนันตีมาสร้างปวดสร้างพวกกระกกรด้แทงฮะอ้แม่กะเห็ดงานแม่ประจําียกประจําวันอยงจังสีตัวลงลาขาดว่าไร ม, มากผูโบรีฮะน่ะต้องดวงใจสันติ เอากะจังสั่งโต้พูดเถ่าแม่ลูกหนาฮสี่เสียดสัส่งมาเทงข้อมันตายแทมมันเกี่ยวได้เกี่ยวดี ก, ะ, กะเราก็เดี่ยวเถอสั่งมาเ้ามาว่าจังสี่แม่แเอ้ยฟั่งค ว, ว่ำพระบีเบาสะก้อนเด้อเดี๋ยวนี้นั่นผ้าวดีน่อยเพพอใจสี่เลี่ยงแม่เดี๋ยด้แม่มันก็ดีละตัวพ่อใจสี่เลี่ยงแม่ไม่พอใจสไลามาม่าไม่เอกไม่พอใจ เจ้านั้นนะนับมือเถานับมือแก่นับมือแก่นับมือเถ า, เ า, เ า, เาคว่ำเบากระแหงหลายแม่เอ้ยให้ผ้าไหวางามๆถอดเบี้ยไปได้จะสีโหยดลงหลุมน้ำบั่นน้ำเมีเ่ยงเขาอันมูรุ่นเ<อ>ล่าข้าวเดี๋ยวเขาตายแก่เขาหาหลายคน้นตัวเถาขามากไงเ่าสารนั่งกัฉามีเอามาสังเวยสัง ว, า จ, งวาจังสันแต่แม่ไงลูกไข่มันไข่ฝันเฮ้ยมันไข่ยันยันโมเมนตฝันดอกก็นี้คอือเลี้ยงจริงเอ่งไข่นั่นนะแมย ผีเข่ามึงติเดียวนี่โมเมนผีเขาเ่าและเจ้าหลักเข่าในสิ่งในจิต ใ, ในใจข่อยอยู่ดีเมียย้อนว่าเจ้าหนักออกจากว่าแจากว่ามาคืนคุ้มเนียลงเฮ่นไตคืนเฮ่นสูงลงเฮ่นต่ําเว้าพื้นข่อยเว้าพื้นผัวกองข่อย ว่าคอยได้เป็นคนหกักลูกหักผัวผู้หูจกักเยี่ยนสามนาม้ำซีผัวหูจกักอีอย่างผลเปื่อผัวด้วยที่ดอกที่ดินอรรนั่นนั่นนี่ขายที่ขายท่างขายลูกขายผัวเล่ยนบวกไฮโลจังสัน่นจังสี่ว่าบอดีจะ ส, สั่นสี่เจ้าไปมว่าขึ้นคอยเฮ็ดอย่างว <ละ S 1> ่าข้นคอยเฮ็ดอย่าง<ล>ข้ามเขาว่า บ, าบา่าวันนี้ลูกนาะอันธิเมว่าแมว่าเที่ยวจมเที่ยวห่ายโยบะเศรุ่นเมีกระยันเขินขาดเน่กินเจ้าว่ายิ่นดีดอมต่อเมยียขิ่งพ่อดี มีตรตีแล้วกะไฮไฮอยากแม่ให้แม่ตายถูกเศ้าคำคำบก่กขวรเจ้ากะเว้าคำไหฮเจ้ากะจากลกล๋าจังสีติหลกหลาแม่คอยก็เป็นลูกเจ้าเม้นเจ้าสีห้สีดาคอยกับบ่เคยเกลียดเคยข่มนะแม่เด้อแล้วเจ้าเสียกไปได่าลูกด่าหัวข่อยเฮ็ดหยังเคยหั ก, กเขา่าอยหักเขาด่าเ<ว>ขากระทบพ่อเ<ม>ขาบ่าอะไรตีเดียวนี่บ้าบ่ได้ส้ำลูกเมีนั่นตัวหลกหลากระชิให้แม่สร้างแม่สอนมัน<อ><อ>บ่ได้อิจหัวมึงนั่นอ้าวย้ายเท่าเอ้ย ขันอยากสร้างอยากสอนน่ะน่ะเวลากินข่าวแรงเนี่ย่นั่งพอมเพียงยังหนากันสุ้กูสุคนเนี่ยแปลี่ยนเขาบัสร้างบัสอนเขาอยู่ในพักเขานี่ไหมบักทีเด้อบักลาเอ้เจ้สั่นบดีบางานเดมเมกจะทำคือมาปากมาเปลาไปหาเปายังอ้อมบ้านอ้อมซองอ้อพนลูกพนตอนสั่นมันดีมันงามจิตมันเหนียดถามเขาสือเด้ล่ะว่าลูกเจ้านั่นเป็นคือลูกข่อยบ่อลูกเคยเจ้าเป็นคือลูกเคยข่อยบ่แม่กรถามเนจ้าสั่นสื้อเด้ล่ะลูกลากันเพะจะกระถามันเนเปียยนกถามอยู่ถามเราไปตอบหาสีแตกีอย่าง การ ย, ย่อการย้อเป็นหยังลูกเจ้าของอน่ะลูกเคยกันไหมลุกเจ้าของการยอการ ย, ย้อไป็นหยังแม่นเขาซิบไปเรื่อการพระดอกพระ น, นั้นเขาได้เงินได้ครับก็ซื้อมากซื้อฟูไม่เชีย่ยยอย่องย่อง่องิงงงงออปปอันนี่ตัวมาสังบังหูจากบุญคุณของลูกของเต้าเถียแม่เอ๋ยเ <Okay. S 1> จ้าเป็นผู้เท่าผู้ถูเจ้าเท่าแล้วดีเจ้าเขาวัดเขามามาหลายปีแล้วดี ไปจำสินพราะบรหลวงพ่อพันใหสินหาสิ น, ปนแปดเมมหรือเฮ้พนสอนตห้เว่าพื้นคนคอยถามเจ้าดูแมียอยถามจจ เ, เ, เจเ้าดูเจ้าวาเฮ็ดหยังเจ้าวาเฮ็ดหยังจ้าว่าเฮ็ดหังจงแต่จงให้โเวาแนบหยงยินนี่กระได้่อยบ้านีบังได้อันไ น, นก็คื อ, คอทาสุยางสุนวเฮ้ยคอยเฮ็ดผิดเฮ็ดพลาดไต่อยกับฟังอยู่ตัวเจ้ากับมาฝนมาฝนเตี่ยมาํามาช า, ม า, ม, ามาเติมลูกก็ะดอกเด้อดเถ่เมเอ้ยจะไปอยัางมยมึงบ่พ่อใจแนวได้อันเงื่อนขํามําเจว ทีให้ทีหน้ากูคือจังโอนให้มึงบดแล้ว <c oughs> มึงบ่พอใจยังไงถามเนี่ยมึง <c oughs> เป็นยังจังมาฮ้องมะหให้แม่จังซีขันมอบขันแบงให้เขาแล้วเขาเชียดแต่ไหนกันแล้วแต่ตับต้าบ่เขาเชียดเป็นยัง เจ้าส to like ิไมหาเปลาน้ากน้ำเอาเลยเอาเลยสันนะมึงค่ากูเลยแม่เลยเจ้าจะมาถาข่อยหรือแม่เจ้าจะมาฆ่ากันหรือเฮ้ยัว่าเจ้าเด้ง่อยออกไปก็ตีนทีบเจ้าหลงเฮียนเหรอเราก็ที่บอกไงเราก็ที่บอกไงเด้อเฮ้มาสร้างพวกรึยังมาสร้างปิดจะร้องไห้เด้อ โอ้ยว่าใจปวนเจ้าเจ้าพอปันพรมดอกไซน้องน้มตานนองกันนับนา เล้ยกัจจมลมำพันจาเพ่นเลี้ยงมาอยังมีควาได้ห้าวอ่อนตุกเรียง เลี้ยงมามันแหลกคูได้เจ้าแหลกคูไม่ได้ขึ้นมาเลี้ยงลูกมาหนอจนเทาหนักหรือเบากะทนฟันตายซะแม่เออโอ้ยหอีกหัดสวยอันเฮียันนะป้อมหัวสวนแลเหล่าเขา ก้าวให้คนสนี้ตื่นขึ้นมาบักตาดันอโอ้ยบัดมาเลียงคันไ่เลียวกาปัดล้ากันงูกัดดามันดาสละพัดลวนแต่คําสลี่ยงเมพึ่ง แสงเป็นหายอยากตายได้ตเลยตายเลยตายเลยีมตายน้ำขคดนเสียเจ้าสมแม่เลยตายีส้วงโอ้ยเมีวบาเนี่ยผัดว่าทวงแม่ปากเนี้ยปนว่าอ่างทิก mắt nhòm dìu qua nhà hàng đến nỗi ôi và đèo nhăn kén nhăn nhòi nheo cuốn kẹ h é y bèo bèo t a y xài mi tiền c ư ớ An là t ô m c a n nhóm nhỏ h o i mà t r ố n chạy để nó coi quang n g h o ngồi t h ư c luộc đ a มาห้องมาให้อยู่ดิเด็กเขาบได้สอืดซอนเจาประดัเดอแมโอ้ยกินแต่เข้าบายน้าตาบ่มีเว้นเต่ละมือหลดคือคอยนี่แมนมหาเด่นน้องนะโอ้น้งแก้วขันลูกหลัง เลี้ยงเมีบอสมเจียงแต่โน้กคำเอือยสามเตียมล้ป้อปัญญางบอสังตองดูบางนาอันมูนมังสมบัติแรงทางมันดากันยุ โอ้ยเสียงที่จากว่างสนองคื่นกาือนคำนาป่อยขันแลยงเสาบกขาดสายบ่พอใจเจ้าใคร ยากขอบนายม้นตันดีงามเพ่นราโยคสิบาบอกมาลาดีลาไรอยู่ี่ตโอ้ยแม่อดทนมาหลายปีเงว่าสิเดยกกะเลยเลี้วแม่อดเนียวสิจา่าว อิดจำหนาวหยอกอึดคำแกวอิดคำเผืออิดคำาจอึดปองแกก็ยอมแพ้ทุกประเด็นนี้ลูกเมีย จะบอกจะขันขอมาดมีเด้อเลี้ยงเมียว่าเจ้านี่เห็นนะน่ละเป็นหนึ่งในทางเดียมนะเอาอลีเฮี้กันจิงจัางผัดแมนลงกันไล่เก่งนะเลี่ยงใจเด้อ อยแนวเสียหูหงนะมีต่หูบ้ต่างเทียงเรี่ยวเห็นปลาว่าเมีนเมืองเหลี่ยวเห็นแมวว่าเมีนสังบัดที่เทียงนะว่าเมีนแมวนานล้านลาลูก แม่เอยผ้าวดีเบ่าเล้วเดี่ยวนี้ข่อยบ่พออกพ่อแก่สีเลียงสีเกียเจ้าเด้แม่ เจ้ามีปัญญาไปทั้งไหนเจ้าก็ไปเลยให้แม่ไปให้แม่อยู่กับผู้ใดลูกหนาการจบเปลี่ยงแม่เม่ตั้งแต่กี่น่ะน่ะคือเว่าคือว่าว่าสี่เลี้ยงแม่ยังเป็นถ้ำสนดลูกหนาแม่เออการเลี้ยงแม่บู้ใดว่าสิผูกขอไตผบ้แม่ติดพ่อไงแม่ไงเป็นนางอยุนิเป็นก็ได้ยินงตลุกลาว้าจังเว้าเนี่อ้างบุญอ้างคุณขึ้นมาว่าตั้งตะกี่สีเลี้ยงแม่ให้เป็นธรำมาติ ตั้งตะกี้กับเดดีมันต่างกันไอเมียตั้งตะกี้กับเดดี้มันต่างหอยเด้อคอยเลี้ยงเจ้ามาผ้าเท่ามันสมมาผ้าควนละเด้อเจ้าเลี้ยงกับมาผ้าไงก็ได้หนีลงเฮียนลงสั้นคอยไปพรต้องมาอยู่น้ากันไม่เงยหงอกเออไอ้คอยเปล่าผื่นอีเมีข่อยสะเถาะเมื่อว้านนี่คอยกลับจากให้จากหน้ามาหันคอยมีไอ้อยลาําใดายคอยเห็ดไทยเห็ดผู้ข้นมาจากทงจากท่าหันมาหอดบายบายคอยคอยอิผ้าเออกูอยากกินตำซุ่มบอกฮงเฮิมพนะบ้า ฝ้าอยากกินตำปะคงเพิ่มขึ้นกาเล่นหาซื้ออ้อมบ้านอ้อมเมียงปะคงก็ะดายย่ายได้ไหมแหละกับว่าฝ้าฝานฝานแล้วก็ฝ้าตําตําแล้วก็ยอดใสผ้ามาเอาอีเม่กินซาบัดนี้ขอก็ะเรวาจังสีเกตได้สาขั้นมาไงหงอกอีพ้มึงคือฝานตอนไงแถอีนี่กูยำบาเล็กกูย่ําบเล็กพะนาอันผัดแจ้งคุ้นน่ะนะไม่เทะเทะคือยำเล็กยำบาเล็กกะหาคขกมาตํำตื่นขึ้นมาตีหนึ่งตีสองเปิดฟื้นเปิดไฟของห้องนอก นก็บบิเบาได้บ้าอีหนึ่งได้ไม่ยงอกอันตื่นขึ้นมาตำหมากตำหมากเขียวตากระตาคือตาใส่ข้าวหยบๆ ลูกหัวสันหัวฟัดหัวเวียงแล้วที่ตกหมอนตายจนอีเมย์ต่ำมากตื่นขึ้นมาเมื่อเส้าเมื่อแซ่นปองเนียนปองสั้นแก่เนี้ยจะสั้นมิจะขี่ตำหมากจุดทุบมุ่สู่แก่เสียขาวขาวจังสิ่งเหล่านูตัดให้นุ่งไปจำสินกระไปจุ่ดอกจำสินก็ไใดขั้นไปจำสินแล้วหลวงพ่อพระธรมัดเซ้าวัดเย็นนะทรรมบัติอันเลี่ยนนพระหลับพระนอนกลางมุ <All right. S 2> ่งน้อนกับบาลาบบารอนกางมุ่งเกียร์นี่ก็มาถือกีย นี่ก็บบถือใจคัดมากกางใกล้ๆกับแม่ไงงอกถือกันหลายกางมุ่งแล้วกางมุ่งแล้วกับมาากันหลับกันนอนนี่แม่ใหญ่ปอนหัวบ้าน้องเปิดมุ่งขึ้นจะแต้ามมาเียมาเือเอว่าวพื้นกันนะ่่่สู้กันฟังขนาดนัมากระยอยเห็ดมนีเนเห็ดมนีเนอันอันเียขาวๆนะเศษน้าปากมะผู้สีก็แป็นห่อเป็น่ยนซักเมลียนตัวนีเด้อแม่เด้อนีลงเฮ็ดลงซั่งกลับไปเด้อขามมานีกันตาย พันเศเมียนี้หลีก็ให้แม่ขอเงินขาดรถน้าในเปียงหลกลาเงินอยืใส่ละ่ะเงินอยู่ใส่เอางเอางินนำมึงในแดนแม่ม่อมเวียนเชียยให้เบิด์ตตั้งแต่เ ง, งินเดียนกูกับบ่อได้ใส่มึงเอาไปใส่เหมือนเด้ป้าวะดีอเจ้าจะมาอ้างเด้อแม่เด้อเฮียนสานบ้านซองมรดกตกทอดนี่ค่อยเพราะใจให้เขาจังสิให้เจ้าได้เด้อมันเป็นซื้อของข่อยสุย่างสุแนว เ, เดียวนี้นั่นข้าเจ้ามีไห้จจกนมีนา มีหน้ามีไฮจากไลนหนึ่งนะคอยสวดสาเดียงเจ้าสัพังตายอยแมเดี๋ยวนี้อีหยางมันก็เปของคอยสุญาสมามาองมาขอบาทนึงสลึงนึงกับว่าห้หัวตาหัวปอดมันตามากกับว่าจังกูเตแม่มาลงเฮียนมันเงีนมากตายเนี่ยเงิ น, นเดือนมีกันเาาออนีน <ะ S 1> ่ยมเอาไปใส่เบิรดลีนี่นอันไดนเงินเดือนกูพยาบาอามอห้เหมือเศ้าเมอเอาไปใส่เบิรดแล้วไปถามอันนั้นพยยหลอดผุนไปถามเอ า, งาเงินยยหลอดพุนนยายหลีผุนไปถามเอาคอไปลิลไพ่ปอกเดงเบิดแล้ว อยากได้ก็ไปถามเมาสิ้นมีไหมายให้แก้ลนะแก้ออกล้แก้ออกแล้วเจอกแล้วแก้ออกเสจป้อให้กูใส่จากยางจากแนวมันต้องเอาไอันใดก็ไ่ต้องเอาไปจักยางจากแนวขายิ้งนมันเป็นสมบัตพระสาร์คอยนุ่งผ้ายีริ่วน่ะนุ่งผ้ายีริ่วลงเข็นลงสารไปเดี๋ยวดิไปดพกับูปรนันติเดี๋ยวนี้ปามาดิป้าแม่มปานนกกูเกียกูมหลายไปนะเาไปกูุกตกเข็นไตได้มือนี lại đi, sưu hồn khăn lại đi, sưu hồn lại để giặc tiên nuông ขันแม่นป่วของเจ้าของคือสิ่นขันยองเลวดูหน้าแม่นลูกสาวเจ้ามาโม่มาคุยอยู่ดีที่ไปกับไปมาตายนะตัววางสะตาเสียวเกลียวสัมพันธ์ ได้มางมวนอ้ยลูกสาวลาได้ขวางมูนซ้ำเอามีดกันเนี่สินพาดมาปิ้นกันเปลี่ยนแป็นหาเรื่องกันหาเรื่องเจง เสียงเมีจนเสียงเวียแท่ที่จริงมันฟังผัวแมียปากยังบ่มีไดายามเคียดให้ให้เคียดในโมอจะหาคนจองบวง โอ้ยตั้งเตี้ยโค้นตั้งปวงว่าจองกันบ่วงสอนละข้อนั้นดอกบอมีเส้นสุดกันเพียงสำเนียงคำว่าเมีหรือมัรดาปาวดี กับ่ต้องมะเอิใส่คอยดอกแม่แต่บมีแม่สวๆซำๆเคยเจ้าจังสี่โอ้กบบมีลูกคือมึ่งคือกันล่ะเลเอ๋บะมีกับต้องมาเอามาโอมันอยู่ิจะมาล้ำรีลำไหลเ้าหนีโอ้ยหมามันโง่เอินการตอบสนองผู้เพียนลีเฮียง เถียงกะได้กันท้อเทียงเพราะบ่มีต้่งสัวเบิดหนทั้งสิ้นตายอืดกำไกอืดป้องเจ็บฟันโดนเสียฟานใสล้างนะ เดียวนี uh, speaker, uh, oh, okay. ่นันซ้ำกับเพื่อนบ่มีดังซ้ำกับข้างบ่มีแดงซ้ำกับแกงบ่มีเกลือซ้ำกับเผื่อบ่มีหนามคว้เป็นทามย้ำเลียงคว เป็นเสียงทีิขาดวงโอ้ฮิคือว่าคือนั้นอยู่สวง เปียกคือผุ่มบบที่แบบฟนสีนาอยู่ชีดินเด่นน้อสีเพื่องยังกะขาดสีเห็นน้อยกะเล่าขันมีแผลเป็นเม่เก่าแต่เพียงน่ะ กันส oui. ่วนกห้เป็นมาเฮนยางหลงเฮียนไปตายนาอวสุมาหนโอ้ยนอเปลม คอยขอคารดน้ำมูเจ้าพ่อสให้ฮ่อยได้ยุติจากพูดละสิบบาทเศ้าบาทไม่ใยเขาพ่อไฮคอยอยู่น้ำคอยไปอยู่บ้านผักคนสะระอายุุดรก็ได้ดอกเมีโอ้ยลูกบ่เบ่งลูกบ่ดวงลูกบ่ยอมรับเรียงย่านเปียงเขาดอกต้นป่าดิน นะลาลาเด้อโอ้ันดอาหางนะเจ้าพัวข้าันควสมนะเสียเกียงตมโยก ควยบ่อวยมาให้นางละหางขอเดินทางคนลาเส้นดวงตาเว้นคนลาหนุ่ยขออาบนาม คนละบุ้ยขอกินเกือคนละตัวยกินกล้วยภูราคืึ้นนะแม่นี่เปียมเข้าเฮียงนะ คนบ่าวานแปลงสรงบุงเจ้าเป็นหวงเมียเป็นกาดอกว้มกันบ่มีนาหายนนางเป็นไหมเมียเป็นไาไปคนไลยสิดีกวัง โอ้อยเจ้านั่นเสือแต่งคำป่วนนะเจ้าได้สั่งดอกเมียดีเหียงจึงหาเรื่องดอกไซคูนนะเดี๋ยวนี้ใจเมียหนู่มหามนะ แซบสิวมกันเปลี่ยนห้องให้จอใส่ให้องห้อง หวงจะเล่นเกินกะหาวได้ลูกสาวให้งามกูได้ลูกชายให้งามคองกันแม่นมีผากสองเมีบอกกอดดอกพวกเจ้าอย่างเอาสาวดอกเก่าใจคํา น่นวาเดวะงกันหำหายปะริเวทนาจีดจีดลาห ố การนุยเฮียงอังละทุมขันยุมโยห้อยสองสันตุดนอคอยหัวใจเบาโนขันเงางูอม ว่าทีบัวจากความแตกแปลกนอบอ้า้น้ำตาหยดหวว่า If I h o d money. ถ้าหากเจ้าบ่าเลี้ยงตนแมน่เนี่เยก็จํำเป็นข้ามเอ้ยถือว่าเป็นเว้นแต่ข้าวหลังถือว่ากร่ำแต่ข้าวจีจังสันละ่ะแม่ขอนี่ไปไตหนาเอาสุ้มหมาหนั่นเป็นหมูลูลกบ่เบิงลูกบ่ดูลูกบ่ย่อมรับเลี้ยงยันเปียงเข่าตอนป่าแม่ไปก่อนเด้อลูกละเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ปีปีปีปปป อีภาวดีรัชนพลเทียนชัยจงเจริญจงเจริญสมนั้นหนามันบาบปัดเดี่ยวพนดูเบย์ใหญ่ยังดากม้นมิงกิ่งนิ่งกิ่งลงงี้ลงสา้นเป็น <พา S 1> แต่เป็นไหลอยากไรยซ่าสังตับสั่งปอดมันะอีเมกีกระได้หน้าแตงแต้มเมื่อนี่เป็นต้นไปแมีเอ้ยเสียสิเหลนสีเทียว ส, ส, สิท่า ม, มากค่ายกินนี่อย่างกับว่ามีผู้ใดมาสิ่งมาซ่อมมาให้มาด่าโอ้ยแต่เป็นเข่าสวงกระดอกกะเดียซ่า ผ้าเข่ากัสิบไ่ได้หาผ้านันผ้านี่จะได้ยู่ได้กินกับลูกกับผัวคอยสองคนจะเป็นมวนเม็นยินกันหรอกกเดียอยากไปเที่ยวใส่ไปเด่นใส่กัสิบเพราะมีผู้ให่ห่วงผู้ใหญ่แง่สาตูเม่สาตูเม่แม่ใบายค่อยๆจะเสียมันเลนงาง น, น้าถนนห น, นทั้งคอยไรง่วไล่คว้ยเข่ า, ขาบ้านเข่าซองให้งว่วงคว้ยเหยียบข้อมันตายกลางถนนห น, นทั้งในเมสาคู่แต่เป็นกูเบีย ก, กูนายซาเมียภาวดีได้ไล่มันดาของตนแล้ว นางก็อยู่กับลูกกับผัวของตนมีความสุขไม่ทุกข์เลยก็มีนักการักขังนั้นโสเมธียะปุริโสฝ่ายว่าเมธียะผู้บุตรชายสุขสบายไม่อาทรเอกทิวสังคันอยู่มานาวันหนึ่งเมธียะจึงเดินไปรอบรั้วบ้านของตนเห็นหญิงแก่ด้อมดอมมองๆองจึงเรียกออกไปว่ายายอเมทผู้ใดมาด้อมดอ ม, มองๆ อ, องอยู่หิมหัวนั่นเถอะเมยใหญ่เอ้ย สองสามมือกกายเป็นอาทิตย์สองสามอ า, อาทิตย์กกายเป็นเดียนเมยไงอมผู้ใยยมดใมาดมดอมม่งมงสิมาหลังเนี่เ ข, นขนานำซ้ำปลากะหากินอยากเม ย, ย์ไงเอ้ขันเขาไปอยู่ในวัดเ อ, อ, อ้กับเพนเอก็ได้กินสองขาบอยู่ดอกบาดเนี่แต่ว่าขันยามะเรี่ยงกับ่มี่บ้าเมีนี่นยยนอันผู้ใดมาหลังไงหลังตแเถนอแมีนไผ่นอผู้ใดนออเอาแม่ เอาเมเอาพู้อนั่นเมธยะติลูกลาเอามเจ้าเป็ยนจางไหมาจกไโอ้ยคือจังบ่มบมีจัันดิลูกลาแม่เจ้าว่าเมธยานั่นนะเอากะเมธิยะนีละเม่เมธยาเนี่ยลูกลาไม่เมีกอดน่ลูกเจ้าเป็ยนจางไหเม่ม่เจ้าเป็ยนจางไหจะได้สัตเซผนี่จอดมาปันนี่แม่คืออยากอายติไม่ไงฮนี่ ไปคืออยากไอเหตเอาสิไปไอเหตุยังแม่เอ้ยคันพ่อเมีกติยานี่หลีติลูกล่ขะขลูกใส<อ>้เจ้านิลามีติยาในลามีมากร<อ>ดโหลดแม่ละม่ละเอ้ยโอ้แม่เราดีใจหลายลูกล่ะเจ้าพอเฉียดบอขมเหม่ยแม่ติลูกล่ะผมบอเฉียดบอขมดอกสองสามปีที่บ่ได้เจอกันทุกเหมือเสือวั่นผมก็คิดฮอตเจ้าอยู่ทุกเมือเสือวันนั่นลามี คันว่าสิไปหาจังสี่กระยานเจ้าไล่ผมหนีผมก็เลยบอกกาไปหาเจ้าสันดอกอีแม่มาสั่งว่าเดาลูกหลาเอ้ยเอามาบานบันดีเจ้าม้าเดาลูกหลาเอาขึ้นมาเถืองบ้านซะเมะบันดีกระไดคันมาแล้วนั้นโอ้โลูกหลาเอ้ยเมียลุดน้ำหาเจ้าโยวาสันในลูกหลาอันเมียเสียบเาโซฟังลูกหลา อัดเมียอยู่นันน้าอีผ้าวดีนันลูกหลาเอ้ยมันปัดตะกี้มันก็ดีอยู่วันนี้อยู่ไปอยู่มาเทิ้งว่าแมยสลับผัดสลับพว่วาเนี่ยจมให้แมยเนวนั้นเนวนี่ว่าแมยนันเถ่าเรียวเพามีประโยชน์บายังมีตาสีต่ติมติ้อเ้ยพันลูกหลาปัดดีทัมันมาสั่งเบาคักเบาแนแธอมันจมว่าเจียว่ามีประโยชน์ปายาวันที่เถ่าเกล้ยวมันเป็นลูกภาษาอีหยังแมยมันเป็นลูกภาษาหยังแมยหลงคิดอีหลี่ลูกหลา เนนนาแนดะชาววใจบาปันพนุนลูกผู้ใหญ่บ่ลืมคุณเมื่อได้ฟังกันลูกเฝ้านาตา่วงเวลา แล้วก็ได้มากินข้าวกินน้ำเพื่านผมพี่แม่ยเคยเห็นบ่หลับพี่น้องลูกพูดเสียงกันถือสาหัดโยมว่าเม่นมีเพียงคนเดียวแต่ลูกชายคนหนึ่งดีบ่มียำลุยหาคือ อยากสิเปียงอ้ยแม่ไล่นี่กระบอเถียงแม่ขอเพ่งกระบอให้ ข, ขันไม่เลี่ยงตอบพระคุณน่ะขันมาเพียงจำยุพุนบอกว่าอุนละทางยายพ่ออยากตาย ไฟเผากลูกสายขันหมังเวีนนี่ละนอเปินว่าดีบอดีเล่นดีเหลือเกินนอดีพูดดีบอกกดดีบอกจิวดีเทมันบอทีเยี่ยมดีเอาย่างย้อนเยี่ยม ดีเต็มเปี่ยมดีจริงเจี๋งดีจนแทงดีจนเกินมาโนท้นกันวนายนะตัวโลนี่มีแต่หาย้าสวเ้าแม่เจ้าสิไปให้เฮ็ดยังความดีใจเอที่า้มาเพื่เพลเมเบ โอยแม่ดีใจหลายลูกแล้วอันเศร้าหายสะก้อนแม่เจ้าสีหองสีไฮเฮ็ดยังผมกัสีเลียงเจ้าขึ้นเกาดันละแม่โอ้ยแม่ดีใจตีลูกเบ่งโดยเตียคิดกันบ่เถีนะว่าเสีดีกันเลือดฝานนำตาหอยว่าล้างลูกเออในแม่กินข้าวกินน้ำ ผมแต่งผักเข้ามาให้เจ้ากินลรวแม่โอ้ยเจ๊ไ้เด้อเอาปีนวองพวกพ่อมเม่เฮากันได้ยาเสี่หวแต่งกุยมุนหมอบพูดดีเห้ากันลายน่าห่างน่าคิดตาลังคิดตานาหาเด็เสีย สิผาดท่าโอ้ยลูกเขาเลียงลูกเขาเลียงกันเข้ามาอยากได้มุนกันท้อนั้นจึงปั่นให้ยาเสียอยงเด่นโนะแนวผู้สั่งหังบ่อเตียงมอบให้เก่หักคุณหักบ่บาทเขาสั่ง จังกาดฟันเมนบอดีกันทั้งหอห อ, นน <า S 1> องนะฟองเอาคืนกระโบได้ให้เขาไปแล้วต้องปล่อย ให้เขาไปแล้วต้องปล่อยผู้ฮักได้กินนังผู้สังกินดกจจอยหลดคือคอยบ้านโพนี้นะลูกสาวลาฮักยิ่งหล่น ทุกสิงยางโอนให้บื้ออยู่ต่อมาเี่เก่าโคดได้เลียนหนีขันมาพี่เฮียงลูกผู้ดีกินนางเนี่ยบอย้อมฟัง่อนขี่เนี้ยว ผัวสั่งกินดกเขียวอันคือคอยเมียนบัดเมียตายเด่นนอง น, นะลูกผู้ดีแล้วขี้หายกะวา่าลูกคือกันนะผ <นะ S 2> ู้มันดีอาหารมีโคตรกันต่อไปอันไปนางนะผัวมันสหยกันคือมาอาจสิกามตัวได้เป็นคนดีเลี้ยงพ่อแม่ อย่าผ้ากันตั้งต๊ะตั้งแต่ลูกผู้หล่สิผ้าเจ้าขันหางมี คิดบังเลียงนี na, ่นานนมันดาสุกกันตอมตอมนะฉันมาหาสูลวัดนาที่มันดาเจี่ยเหว่าหินกับตามาเล้วนะเลียงมันด่าไว้ทางค่มอากบ่เสียค่าลุมปวดฟังนิดกันคิดหน่อยอันหูหน่อยให้เงียงมา พวกพ่อเมียคือเทพ้าหรือเหลียกว่ามหาภูมะเช่นว่าตัวกันขวางฉันได้ทราบดีขันมาเดแหว่ารวมคำก่อนลงว้เนี กลนาทีทีจบเรียงผู้พักได้กินนังผู้สังกินดูเขียวคงสิียวแล้วไปนอนคณะซอสวรั์เสียงทํารูเหตุคา เึงมาเอืยกันเตียนฟังเรียงมูนมั่งสั่งขยาไเด้งเกิดมีกันมาเล้ววายาวเนียวยาวเยียงสิเปียงแนวกันป่าพอนเมื่อหัวขาแน่นอนขอให้จำกันเจอว่าอ้กันตามขอน เฮงขาดีนานละนานสนทาย เฮียนนาบัดน <ly> ี้เห็นนาสินว่ารันที่มันต้องลูมขาน้องดอกหนาวหนวลวุ่นทางผู้หญิงได้ใส่ผ่าดอกหนาวยิ่งกว่าแต่ลังอีเม่ เฮงนะดังไฟฟิลยูตามบานละ กใคร่พรนควมำหนาวเดือนสาเกาวว่าบอกกะบังหลังเบืยงลาสงคุ้มเหลืองจีวอนตุ่มดอกคุ้มายออกบินบาดดูเพียนมาด ก, กันเบืองเข้าคือคนทองดอกแกมา อานึงานดาบดีหันมาจะคันไฟตาละมิธิยะผัวบดใช<า>้แม้ได้ตายดอกดีป<ร>่า<ร>สิ้นว่าสันลืดูสิ้นเดงล้างทมดินดึกไฟยางย่าง อาฮัถิไวเตือนตอบอกว่าทูกคนโอจะต้องเป็นจังสีบ่บอมีมุมดอกมิงมอนอึงดพูดถ้าองค์เพื่อนตัดสอนละ ว่าดูก่อนนอละชูนทูกถุกคนเกิดมาจะต้องตาย ย, าาย่าเบียดเบียนกันเดิอหาผู้เอออ้วยแม่คนเดียวก็เสียนยากเพราะว่ายากเข้าบีบคันจึงหาเลี้ยงดอกกอกงามตายแล้วจมจุ่มน้ำ ให้มอใหญ่าอาเวจีตายเป็นผีแล้วยางทุกเพราะบาปกมนำตองผู้บาปกมดอกน้ำของของลูกกาหนาอยากวิบากดีที่ก็ไว้คันมีหน่อยดอกบอาย มีที่ยะผู้ไออดีตเก่าบอกเคยสร้างละ่ะ <นา S 1> เรื่องหนึ่งละ่ะอดีตเก่าบอกเคยสร้างน่ะอันเนื้อนางบุญมังบอได้ของคันคือนองละ่ะ ต้องดูรมคุณทำแล้วหัวใจแล้วป่านกวยเนา่าหลังจาก<ใ>จเผาคันแม่แล้วไร้ทำสางส่ว น, วนอูญ อุทิธานไปพุน่นจุนเจือเพ่ากันความดีเองล่ะทำกตันยูแดกกาตะเวทิตา ต, าตอบบุญคุณแก้วล่ะไผกาเสียวเสียวเอื้นสาธุการดอกนั้นนีตั้งกะว่าดีดีเหงล่ะโดว่าหายากยิ่งเสียงผู้ คุณย่องสงสาน้องหญิงดีเมื่อื่อให้เมื่อคนณย่อเทีบกันย่อละ ผีก่ายืนขันย่อมือถือว่าเป็นคนดีเอแมนบ่มีแนวทา้าวเดี๋ยวนีม่วนของเขาสมบูรณ์ดีดอกมากดีบอถึงขันเศรษฐีก็นับว่ากันยอมยอมเพราะการนอมต่อภาคอุ่นนึงผีกับทางนองพอนะ ได้ยินข่าวว่ามันจนผัวขนไปดอกลงเหวปากอบายพ้านั้นจีอาอาางเหลือเพียงเฮือนกับเราเขาบอกมีสิปอนมามถือคนดดาพองป่าน้ำ ว่ามันเห็ดขันนอกโลูนันโหหน่อยบอยอย่างฟังเอออองละดังในทางขันขี้ลาไองละพราเกินหีดดอกของว่าัดสมบัติอย่างที่ตก มาสดใจกิ่นจนเมิดเสียนล่ะดินให้หน้าไข่ไปเล่นอีกงูควายใข่ไปบอเพียดบอชอบแบบนี้มันจนได้นาบอนันละมือทำบุญหาเมียนอาหารล่ะ ได้ทรงข่าวให้มันมามิดปั่นมาตกฐานฮอดบ อ, บอเห็นดอกชมนาฮางสินกยายเมือดแล้วเหลืออย่างแตกกาดูกลกูกไผเป็นจังสีกะบนเจ้านันบอนลลายตอนนี้หยุดพักว่าออเอง ในนาทีมเมติยะเทศไปตามธรร ม, มาก็ว่าพอคันเพียงเลวพอเวรลุงคันเพียงนี้เองละ พอกันที่แ <nella> ล <refreshing> ้ว no ฉันว่าโยมสาธาคันพีน้องให้จำว่าเองว่าใส่ใจนั่นละน่าให้จำว่าเองใส่มาโน Oh, o e oh, oh, oh, oh, o o o o oh, oh, oh, o oh, oh, oh, oh, oh, h oh, oh, o o o oh, oh, oh, oh, oh, oh, h แมตุลุนีถือลูกสาวผ้าวดีขับหนีลงเฮียนลงซานกษัตริย์สเสพระนี่จอดมาทั้งชายแดนกเ็เรียกมาพ่อลูกชายลูกชายมาปักหลักตั้งขอบควออยู่นี่เป็นคนห่างคนมีไม่เห็นกันละแม่กับลูกกะแลนกอดกันอยูดต่อมาประดบ น, นานผู้แม่ทนความเจ็บปวดประไวทั้งเสียอกเสียใจ ก็เลยมาตรอมใจตายโ ย, ยน้ำหลูกชายเมธียาฟินจังว่าผู้หักกินหนังผู้สร้างกินกระดูกหักเจียงไดสร้างจังไดก็คือว่าผู้หักก็คือแม่นี่ยหักผ้าวดีหลายเออผู้หักกินหนังหนังที่นี่ก็คือมุ่นมั่งสังขญาของพ่อของแม่ก็ถือว่าเปลี่ยนมุ่นมั่งสังขญาถือว่าหนั ง, งนะไม่ใช่เนาะผู้สร้างกินกระดูกคือแม่สั้ง เมธียะไลเมธียะหนีโลงเยียนลงซ่านแต่ว่าผูเป็นเมไดสัตวซเสพันนี่จอดมา้ามาตายอยู่นําลูกใช่ผูที่สซั่งผููสร้างก็ไดไดกินกระดูกกะไม้ความวาเออเมียนดูกเมียนกลางทําบุญชา ป, ปนากิจให้เมเจ้าของนิท่านเลี้ยงหนีพันสอนให้ลูกว่าบุญคุ้นของพอของแม่มันหนักเก่งทอร์ น, นี่สิหาใดมาเปรียบมาทราบบอบี้ใด ดังเมธิยากับผ้าวดีผ้าวดีเป็นลูกธีบดีบองงามดูถูกบนคุ้นของพ่อของแม่เมธิยาเป็นคนตีหัวจากบนคุ้นของพ่อของแม่เป็นอยังค่อยต่างกันมองไดกระตางกันทีบาเมธิยาเมนซิบมี่สมบัติพัฒฐานอียังติดไม่ติดมือมาแต่ว่าเมื่อมา้าทําการค่าการขายเฮดห้ไซน่ากับเจริญดวงเรียง เพราะว่าเมธิยาในกระลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ปลูกบักอือบักแต่งปลูกเข่าปลูกน้ากระลึกถึงแต่บุญคุณของแม่เราก็เลยเจะเลื่อนลงเลียนส่วนผ้าวดีนั่นสีกิบหายไหว้ปวงบ่อสิเป็นจังไหนต่อไปในภาคนาไก่ฟั่งภาคสองเด้อเพราะว่าสิอาจอีกประมาณเดือนมีนาเรียงนี้มีสองภาคเนาะยมแม่เนาะเออขณะอื่นคือสิบวมีดอกสิมีตะขนาดภูคาเนี่ล่ะ หลวงพ่อท่องเพีเพื่อแต่งได้แปลงไว้ไ<ป>นั่งภาวดีภาคสองสิเป็นจังไหนเอ่อเมธียะสิเป็นจังไหนภาคสองสิกล่าวถึงอีกสคนในอีแแม่ซิมีผัวของภ้าวดีชื่อคืออาชิตะละกะเมธียะและกัพี่นั่งพี่นั่งคือรัตนาปานัญญภาคสองเข้มคนก็นี่เธอแม่เธอเอ อ, เ อ, อขึ้นโลง่งขึ้นศารผลไปภาคสอง นั่งภาวดีซีมีจุดจบแบบใดนั่นจังฟั่งต่อภาคสองเด้อแต่หากว่าญาติโยมผูดสลับรับฟั่งอยู่ใครอยักติดตามกระจังถาฟั่งอีกต่อไปเนาะเมื่อนี้ผู้หากกินนังผู้สั้งได้กินกระดูกกระจบลงเพียงแค่นี้ก่อนน้โยมพอยโยมแม่เนาะเออญาติโยมที่มารวมการรวมงานทั่งทีวีมีคุณช่างลอยเกลาก็ขอขอบบุญจะเลื่อนพ่อขขอบบุญขอบคุณ อีมาไทยทอดประเภทนี่แลอีสานเพื่อว่าไปเผยแพร่ใหญ้ญาติปีน้องทั่วภาคอีสานหรือทั่วโลกทั่วประเทศได้รับชมรับฟัง่การที่แสดงเมื่อนี้อาศิบมวนหูหรือการเล่ากันจากการแสดงกิริยท่าทางอย่างอาศิเกินเหตุเกินข้องของคณะสงฆ์ของสงฆ์ของพระกองสงฆ์อาตมาภาพทั้ง3มรูปสามนาม้า ก็ขอโทษขอไพ่ยอมพอ ย, ย่อมแม่เพราะว่าเป็นบทการแสดงเออเพื่อว่าให้ญาติย้ยมได้อินกับบทหรือได้ติดตามได้เรียงให้เข้มข้นต่อไปนั้นย่อมพอ ย, ย่อยยมแม่เนาะเออตัมาตั้งสามรูปสามองค์ข อ, อยุติแต่เพียงเท่านี้เอวาง